นามัตุรัตนตยัตส อ, อนอบ น, อบนอมเดพระรัตน ต, ตรด้วยเสียนกล้าวก็เข้าสู่ภาคบ่ายวันนี้ก็ไม่ต้องเดินตามปกติเราจะมีการเดินจงกรมแต่ว่าเราจะไม่เดินนะ <c oughs> ถ้าไม่เดินมันก็จะง่วงหน่อยกอ่อนที่จะนั่ง ก็ทำความเข้อใจสักสิห้านาทีก็แบบเดิมอะในการนั่งสมาธิหรือฝึกจิตข้อดีที่สุดปักไปที่กายที่ใจของเราให้ลืมไปเถอะคืออย่าไปให้ความสำคัญมันว่าเราคือใครมาจากไหนชื่อนามสกุลอะไรรวยหรือจนมีปัญหาข้างนอกแค่ไหนปล่อยมันไปก่อนเพราะมันเป็นเพียงแค่สิ่งแปะนะ เราจะต้องเอากายเอาใจนี่แหละมาฝึกการฝึกจิตตัวที่สำคัญพวกเรานี่มีชั่วโมงในการฝึกผ่านมาเยอะตัวหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก็คือตัวกาหนดตัวกาหนดคือตัวไหนตัวตั้งใจตั้งใจฟังนะตัวกาหนดคือตัวตั้งใจเวลาเรารู้ลมหายใจลมหายใจของเรา มันหายใจออกหายใจเข้าเป็นตามปกติหายใจออกเราก็รู้ตอนแรกๆเราตั้งใจรถก่อนหน้านั้นเราเราทําอย่างอื่นเราก็ตั้งใจพอมาถึงเราจะมานั่งสมาธิเราก็ตั้งใจความตั้งใจของเรานี้เป็นความกําหนดพอเราต well. ั um ้งใจรู้ลมหายใจไหลออกรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ตั้งใจรู้ลมหายใจออกรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ แต่เวลาสมัยก่อนที่เราพูดมาตลอดอว่าหายใจออกรู้ใช่ไหมแท้ที่จริงอะ่ะในการหายใจออกรู้นั่นมันมีคําว่าตั้งใจตั้งใจรู้ลมหายใจออกใช่ไหมตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าแต่อาจามาไม่เคยพูดเรื่องของความตั้งใจคือมันมีอยู่ในคําว่ารู้ลมหายใจออกแรกๆอะ่ะสังเกตไหมรู้ลมหายใจออก รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าที่พูดอย่างนี้เพราะเราจะไปเข้าสู่คําพูดคําพูดหนึ่งที่จะต้องพูดให้ชัดวันนี้ก็คือเรื่องของจิตดังมันเวลาเรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจเข้ามันไปด้วยความตั้งใจคือตั้งใจรู้ถ้าไม่ตั้งใจมันไม่รู้ถูกไหม เอาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนั่งกินกาแฟคุยกับเพื่อนเมากันส น, นุกสนานเอาอยู่ๆอ๋อหยุดทุกอย่างรู้ลมหายใจซิมันก็ตั้งใจรู้ลมหายใจที่ในการในการตั้งใจรู้ลมหายใจเนี่ยถ้าเราตั้งใจรู้ลมหายใจต่อเนื่องไปเด้ด้วยความตั้งใจไม่หายเราไม่เห็นความตั้งใจมันจะพาเราเดินไปไม่ได้ มันจะพาเดินไปพาเดินไปไม่ได้อย่างไรก็คือว่าเมื่อเราตั้งใจรู้ลมหายใจไลลออกตั้งใจรู้ลมหายใจไหลเข้าเราตั้งใจต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยแต่เราไม่เห็นความตั้งใจความตั้งใจนั้นเราไม่เห็นความกำหนดนั้นเราไม่เห็นพอหูเราได้ยินเสียงปั๊บเราก็รู้เสียงใจมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าใจมันเกิดความคิดแต่เราไม่เห็นความตั้งใจ พอไม่เห็นความตั้งใจจิตก็จะยึดอยู่กับลมหายใจนั่นแหละลมหายใจจะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไปตลอดเลยพอลมหายใจถูกกําหนดไปตลอดเราก็จะก้าวขึ้นก้าวขึ้นสู่ยานสู่วิปัสสนายากมันจะอยู่ในเรื่องของสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาล้วนๆก็เราก็สังเกตได้ จากการที่นักปฏิบัติเยอะๆที่พูดว่าฉันดงนั่งชานข้าวชานสองชานสามชา น, น, นสี่นี่เข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้วพอออกจากสมาธิเดินยังไม่ถึงหน้าถนนเลยด่าก็ไปทั่วแล้วมีแต่ความขัดใจมีแต่ความไม่พอใจไอ้อย่างนั้นน่ะ คือมันไม่ได้รับผลของความตั้งมัน่นจิตไม่มีอุเบกขาวันตอนหลังๆนี้เมื่อพวกเราได้ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆจะสังเกตจะนาพวกเรารู้เรื่องอะไรลมยาวลมยาวทำไมจะง่ายรู้เรื่องลมยาวรู้ปะทำไมถึงง่ายรู้เรื่องลมยาว ให้ทําลมหายใจยาวคือยาวก็รู้ตั้งใจนะตั้งใจรู้เรื่องลมยาวพอเรารู้ลมยาวต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยรื่อยรืยื่อยอยจิตที่รู้เราแล้วลมยาวของเราเนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยเรื่อยลมยาวนั้นจะค่อยค่อยหดสั้นมาหดสั้นมาหดสั้นมา หดสั้นมาจนเป็นลมปกติตอนที่ลมยาวนั้นหดสั้นมาเป็นลมปกติเกิดศัพทเาเรียกสวยมากเือปิติเกิดเป็นอาการสภาวะที่จิตยังรู้ลมหายใจอยู่แต่มีสภาวะหนึ่งที่มันเสริมเกิดขึ้นจากการรู้ลมนั้นแหละมันให้ความแช่มชื่น มันให้ความเชืม่มชื่นมันให้ความราบรื่นมันให้ความมั่นคงมันให้ความเอเอบอิมอันนี้เรียกปิติตอนนั้นเราจะทํำยังไงเพราะมันเกิดปิติไอ้ตัวกําหนดที่จะไปรู้ลมหายใจเนี่ยเบาลงแล้วตัวกําหนดที่ว่าจะตั้งใจรู้จะตั้งใจรู้จะตั้งใจรู้เนี่ยมันเบาตัวลง จิตจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปอยู่ลมหายใจกับความเอิบอิ่มซาบซ่านความชุ่มชื่นที่เป็นตัวเสริมขึ้นมาเกิดเป็นสภาวะเสริมขึ้นมาจิตก็จะไปอยู่กับตัวนั้นตัวตั้งใจหายไปเบาลงไม่หายแต่มันเบาลงทีนี้พอรู้อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยเรื่อยเืยืเ ย, เ ร, ยเรื่อยืมันจะเกิดอีกสภาวะหนึ่งที่มันผ่อนตัวลงมาเรียกว่าปราโมทย์ นี่จากการทำลมยาวนะคำว่าปราโมดนี่มันเป็นอาการสดชื่นเป็นอาการสดชื่นกับการรู้อยู่กับลมหายใจสดชื่นนี้ก็กลายมาเป็นสภาวะอีกตัวหนึ่งที่ตัวตัวชุ่มชื่นตัวแรกๆหายไปปรับตัวลงมาเป็นความ สุดชื่นในขณะที่จิตรู้ลมหายใจอยู่นั่นแหละสุดชื่นพอความสุดชื่นนี้มันเบาตัวลงจิตเราก็จะออกมาจากลมหายใจอย่างมีสติอันนี้ผ่านว่าบีเข้าใจว่ ความสดชื่นจะเกิดขึ้นและมันจะออกมาจากความสดชื่นจิตจะออกมาจากลมหายใจด้วยและจะอยู่กับอะไรอยู่กับความนิ่งที่มันหยุดอย่างมีสติเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกอัศสาสะปัสสาสาจิตตังวิวัตเตติอุเปกขาสันถาติอันนี้สําคัญมากพอจิตเราหลีกออกมาจากลมหายใจอยู่กับอุเบกขาด้วยสติ ทีนี้มันทาไงลมหายใจของเราจะมาโดยธรรมชาติเพราะร่างกายอยู่โดยไม่หายใจไม่ได้ใช่ไหมเออหรือได้ได้เ่ะไหมะไม่ได้เมื่อจิตอยู่กับอุเบกขาแล้วพอลมหายใจมันมาเองตามธรรมชาติจิตที่อยู่กับอุเบกขานี้แหละมันจะไปรู้ลมหายใจมันแค่รู้ แค่ดูแค่เห็นเท่านั้นลมนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้มันมาของมันอยู่แล้วแต่จิตที่มีสติอยู่กับอุเบกขาจากการที่เขาหลีกออกมาจากลมหายใจนั่นก็ามายความว่าอะไรตัวกําหนดมันเป็นไงดับตัวเจตนาที่มันมีอยู่เดิมนั้นดับ ตัวกำหนดที่เราบอกว่าตั้งใจรู้หายใจออกตั้งใจรู้หายใจเข้าตัวตั้งใจรู้ตั้งใจรู้ดับจิตอยู่กับอุเบกขาความนิ่งที่เกิดขึ้นมีอย่างมีสติเนี่ยอุเบกขาสันธาตติตัวสติก็ปรากฏรู้อยู่กับอุเบกขานั้นนะพอลมหายใจมามันก็รู้ลมหายใจรู้นั้นนะ แค่รู้หรือที่บางัพับเรียกว่ารู้ซื่อคือรู้แค่รู้กับลมหายใจนั้นไม่ลงร่องลึกออกไปจากลมหายใจเพราะฉะนั้นในอนาปานสติถ้าพวกเรากลับไปดูในพระสูตรของอานาปานสติสีบกชันนั้นน่ะไม่มีคำว่าทิ้งลมหายใจเลยจนถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าปฏิดิสคาโนปัสสีอัศสิสติสิกขะทิ อัศศิษามีติสิกขติคือจิตสลัดคืนไปแล้วก็เกาะบรมหายใจออกรู้ลมหายใจจิตจะรู้ลมเหมือนลมหายใจมันเหมือนกับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เราจับห้อยเหนียวอยู่สาหรับที่จะดูทุกอย่างไม่ใช่ว่าตัวเองยืนอย่างมั่นคงแล้วแล้วก็ดูทุกอย่างปล่อยมือออกจากกิ่งไม้ที่จนจับยึ เดี๋ยวมก็ลงร่องหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจิตจะต้องรักษาระดับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเสบอสเสบอือลมหายใจนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตจากลมหายใจที่ถูกรู้ด้วยการกําหนดรู้ก็กลายมาเป็นลมหายใจที่ถูกรู้เพียงแค่รู้ เมื่อลมหายใจนั้นเราถูกรู้เราเพียงแค่ที่รู้เนี่ยนั่นคือความตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นอยู่กับอุเบกขาอย่างมีสติอันนี้เรียกว่าความตั้งมัน่นเข้าใจว่าได้ไหมยังได้ไหมสภาวะเนี่ยได้ไหมที่ว่าเรารู้เราเห็นลมหายใจโดยที่เราไม่ได้ไปกําหนดรู้มันเลยจิตอยู่กับความนิ่งนิ่งอยู่เฉยๆแล้วพอลมหายใจมันมาก็ไปอยู่เกาะลมหายใจ ทุกคนที่นั่งสมาธิรู้ลมหายใจเกินหนึ่งชั่วโมงจะเกิดสภาวะนี้ได้แต่มันมาแป๊บทั้งหมดที่ที่พูดเนี่ยมันอยู่ในลำดับการของอาณาปานนสติที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นอ่ะอยู่ในนี้ไม่มีหลีกเลี่ยงหลบลี่หนีไปจากที่พระพุทธเจ้าสอนเลยละเอียดที่สุด ละเอียดที่สุดในเรื่องของการเจริญสติเกยกับลมหายใจเมื่อก่อนออถ้ามันแบบปัจจุบันทันด่วนใช่ไหไอ้แค่แค่ใช้การกาหนดดับอารมณ์อย่างเคยสอนหลายๆคนเนี่ยสอนพวกนี้เวลามันโกรธอยู่มันโกรธอยู่ทำไงดีวะเอาลมหายใจก็ไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกนึกพุทธโธ นึกในใจพุทโธพุทโทโทโโโโทสักห้านาทีเดี๋ยวพุทโตไอเดี๋ยวกรบโกรดนั่นก็หายแต่มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับน้ำเข้าตาแล้วเอามือปาดเหมือนน้ำเข้าตาแล้วเอามือปาดมันเป็นการแก้ปัญหาแป๊บแป๊ๆปปชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเรื่องเรื่องเป็นอย่างอย่างพอพอโกรด แต่รู้ว่าถ้าทําตามความโกรธไม่ได้เออมันเป็นลูกสะพ้ายยกตัวอย่างโกรธแม่สามีอย่างเงี้ยโกรธแม่สามีอย่างเงี้ยพอโกรธแล้วจะไปใส่ตามอารมณ์ที่มันกําลังเดือดพล่านอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้วทํายังไงมันต้องดับด่วนเลยเพราะไอ้ความโกรธนี่นําความหายาะมาให้เลยหลับตานึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธห้นาทีเดี๋ยวมันก็ดับแต่มันเหมือนกับอะไร เหมือนน้ำเข้าตาแล้วเอามือไปปาดอเหมือนน้ำเข้าตาแล้วามือไปปาดช่วยได้เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องเกิดราวแค่นั้นเองนฮ่เราจะทําสมาธิให้มันถาวรตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนที่ชื่อว่าอนาปานสติเราจึงจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่รู้แล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้นะอย่าเอาไปจํานะแค่รู้ไว้เป็นทางผักทางเดิน ก็ไปจำไว้นั่งปั๊บหายใจได้สองคู่โอ้โหนี่ที่หลวงพ่อบอกมาแล้วไอ้นั่นน่ะมันมาด้วยอำนาจของสัญญาเราแล้วเข้าใจปะมันมาด้วยอำนาจสัญญาเรา้เพราะฉะนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยชัดเจนมากชัดเจนมากไล่ไปตามลำดับในในระหว่างประมาณสามเดือนที่ผ่านมาหลังโควิดมาเนี่ย ไม่ถึงถามเดือนยังสองพูดในเรื่องลมยาวลมยาวคือลมแบบไหนอะลมยาวคือลมที่เราสร้างเรากําหนดขึ้นมาหายใจเข้ายาวยาวให้สุดแล้วหยุดไว้แล้วตั้งใจว่าจะรู้ลมหายใจไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกไหลออกแบบยาวๆวแล้วจิตรู้แบบยาวๆาวสุดลมหายใจที่ไหลออกและรู้ลมหายใจเข้ายาวยาว น่ล ม, มันจะยาวได้มันจะต้องความแรงของลมก็จะต้องเบาลงใช่ไหมเบาเบาตัวลงให้เขายาวได้เบาตัวลงแล้วก็บางทีก็ใช้การนับใช้การนับเข้ามาร่วมนะนับเช่นว่าหายใจออกหายใจเข้านับดูซิว่ามันจะยาวได้ถึงไหนที่ไม่อึดอัด หนึ่งสองสามสี่ห้านับในใจไม่ต้องออกเสียงเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไอ้ น, นี่ไอ้นี่อ้นนี้ทามนับโดยไม่ได้หายใจมันเลยนับได้ไปเรื่อย <c oughs> ลองนับหายใจเข้าแล้วนับดูว่าเรายาวได้แค่ไหนจนกว่ามันจะอึดอัดอเราก็หยุดหยุดเสร็จแล้วก็นิ่งไว้สักนิดหนึ่งให้มันมีจังหวะ ที่รู้ว่าเออตอนนี้ลมหายใจเราไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ไหลออกไม่ได้ไลยเข้ามันหยุดอยู่หลังจากนั้นก็ปล่อยลมหายใจไลยออกนับให้ได้เท่ากับจำนวนที่นับเข้ า, าตอนเข้านับไปสิบห้าและตอนออกนับสามอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้อันนี้เรียกว่าเข้ายาวออกสั้นไม่อถ้าเข้าไปสิบห้าออกก็ต้องสิบห้าใช้หลักการนับนี้ได้ไหมได้เขาเรียกว่าคันน า, นนา หลักของการคา น, นนานับแต่ว่านับไปได้พอเราได้ระยะของลมแล้วในความยาวที่เราได้ระยะในการที่ของลมที่เราไม่อ่นอัดแล้วทีนี้การ น, นับเราก็ยกเลิอกออกไปเหลือแค่จิตที่รู้ลมยาวยาวในประมาณนั้นที่พูดอย่างนี้เพื่อให้สำคัญกับความยาวของลมจริงๆถ้าเราหายใจปกติเนี่ย ลมยาวก็คือลมที่มันยาวกว่าปกติของเราเข้าใจไหมแล้วการรู้ลมยาวมันช่วยเราได้มากช่วยเรื่องอะไรมั่งช่วยเรื่องการที่จิตไหลออกไปคิดเพราะถ้ามันไม่มันยาวได้ด้วยความตั้งใจของเราความตั้งใจในการที่จะรู้ลมยาวทำให้จิตไหลออกไปคิดน้อย เข้าใจป่าแล้วเราก็รู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยรื่อยจิตที่รู้ลมยาวต่อเนื่องไปลมนั้นจะหดสั้นเข้ามาจะหดสั้นเข้ามาโดยที่เราอยากไปกําหนดนะเรา่ารู้ลมยาวไปเรื่อยๆตามที่เรารู้ได้ที่ไม่อึนอัดและลมนั้นจะสั้นหดตัวเข้ามา จิตรู้ยังเท่าเดิมแต่ลมจะหดสั้นเข้ามาหดสั้นเข้ามาหดสั้นเข้ามาจนเป็นลมปกติปิติก็จะเกิดตอนนั้นแล้วมันก็จะเกิดความปราโเว์เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกแล้วมันก็จะทิ้งลมหายใจไม่ใช่ทิ้งนะมันลีกออกจากลมหายใจเพราะตัวตั้งใจที่จะไปรู้ลมหายใจนั้นหายไปเพราะตัวตั้งใจที่จะไปรู้ลมหายใจหายไปจิต อยู่กับอะไรอยู่กับอุเบกขาอย่างมีสตินั่นคือความตั้งมั่นของมันทีนี้พอลมหายใจมาก็รู้มันจะยาวจะสั้นก็ชั่งมันถูกปะโดยธรรมชาติที่มันจะไหลออกมาแค่ไหนก็รู้แค่นั้นข้าวแค่ไหนก็รู้แค่นั้นพอและถึงตอนนั้นจะสังเกตว่าลมหายใจนั้นนานๆนนออกมาทีเออ นานๆจะออกมาทีนานๆจะออกมาทีพอลมหายใจนานๆออกมาทีนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจังหวะของจิตที่อยู่กับอุเบกขานั้นกว้างขึ้นยาวขึ้นจิตที่อยู่กับอุเบกขายาวขึ้นจะเกิดอะไรฮะนั่นน่ะเรียกว่าตั้งมัน่นแล้วมันจะให้เราเห็นอะไทีเนี้ย อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นมันมั่นมั่นแล้วเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นติดจะเห็นตามความเป็นจริงมันจะไม่ไปปรุงหรอกอะไรเกิดปับ๊บมันก็รู้ว่ามันเกิดพอไอสิ่งที่เกิดแล้วมันดับมันก็รู้ว่าดับอะไรเกิดมันก็รู้ว่ามันเกิดอะไรดับมันก็รู้ว่ามันดับมันรู้แค่มันความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะอะไรเกิดมันก็รู้ว่าเกิดอะไรดับมันก็รู้ว่าดับนี่ทีพ่พระเจ้าเรียกว่ายะถาภูตังปชานาติ at. รู้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าเสียงหนึ่งเกิดขึ้นปับ๊บเรารู้เสียงเสร็จแล้วก็ปรุงในเสียงนั้นนะไอเสียงนี้มันชื่อนั่นมาหนังงั่นขับรถกันนั่นถือกระเป๋าอย่างนั่นลูกคนนั่น <c oughs> คราวที่แล้วใหม่มาเพิ่งมากอะไรก็ว่างเงี้ยมันปรุงไปเรื่อยไออย่างนี้ได้ะ่ะรู้ไม่จริง มันจริงมันมีอะไรจริงมีแค่เสียงกระทบหูเสียงปรากฏรู้แค่การเกิดก็รู้ว่ามันเกิดพอมันดับก็รู้ว่ามันดับนี่คือตามความเป็นจริงไอ้สิ่งที่มันปรุงออกนอกจากความเป็นจริงนั้นที่เป็นการคาดคะเน ก, การสมมติตามอำนาจของสัญญาเรื่องราวต่างๆไม่จริงเข้าใจปะจริงแท้คือเกิดก็คือเกิดดับก็คือดับเท่านั้น เวลาเกิดขึ้นยังไม่ทันดับในระหว่างที่ตั้งอยู่มีอะไรท า, ท, ทางหลักคำตรีก็สอนสามอย่างอุปาททิฏฐิพังคะอ่าใหพูดดิอุปาททิฏฐิพังคะเอาอีกทีอุปาทิฏฐิพังคะอ่างสระอุปปลาปปลาสระอาทะทะหาร อุ ป, ปาททิฏฐิทอสันฐานสระ อ, อิต่อเต่าสระอิเรียกทิฏฐิพังคะพอสัมเภลมานาักาดงองงูคอควายสรอะอะเรียกว่าพังะอุ ป, ปาทคือเกิดขึ้นทิฏฐิคือตั้งอยู่ถ้ามันยังไม่ดับมันไม่มีอะไรนะมันแค่ตั้งอยู่ แล้วก็พังคะก็คือดับไปทุกอย่างในสปปรรพสิง่งมีสามอย่างนี้เหมือนกันหมดที่เป็นความจริงเอาใหมซิอุปาทะทิติพังคะอุปัฏะก็คือเกิดขึ้นอย่างเราเนี้ยเอาขันห้น า, า, ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าขันก็อยู่ในนี้นั้น เวลาเราเห็นทุกอย่างอุปาทะพังคะใช่ไหมทิติเราอาจจะไม่ได้ดูแต่ในความเป็นจริงของเขาคืออุปาทะทิติพังคะเราเห็นอุปาทะคือเกิดพังคะคือดับทุกอย่างเราเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับไอตัวที่เราจะต้องเห็นจริงๆคืออะไรคืออะไรฮะคือขันห้า จำไม่เลยเห็นอะไรดับมาทั่วอนันตจักรวาลแต่ถ้าไม่เห็นขัน 5, ห้าก็โง่เหมือนเดิมเห็นอะไรดับมาทั่วไปหมดอแต่ขันห้ายังเป็นอัตตาอยู่ก็คือความโง่อย่างเหมือนเดิมขันห้าคือตัวเราเนี่ยกายใจรูปนามอย่างพินถ้าไปติดอยู่ที่พินนะหลงในขันห้า ถูกว่าพอไปขันห้ามันต้องไปที่ไหนไปที่กายที่ใจหรือที่เรียกว่ารูปนามไม่มีบัญยักษ์ใดๆทั้งนั้นแะ่ะไปที่กายที่ใจของใครของเราไม่ใช่ไปที่กายที่ใจคนอื่นนะไม่ใช่ว่าไม่พอใจไอ้คนนี้ดูให้มันเกิดให้มันดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นยังไม่ใช่ มันต้องดูที่กายที่ใจไหนกายที่ใจนี้ั น, นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการรู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างไรรูปัสสมุดเยันจะอัถังขมันจะชานาติรู้การเกิดขึ้นและการดับไปของรูปเวทนายะสมุดเยันจะอัถังขมันจะชานาติรู้การเกิดขึ้นและการดับไปของเวทนาสัญญายะ สมุดยัญจะอาถังกรรมจะชานาติรู้การเกิดขึ้นและการดับไปของสัญญาสังขารเรสุสมุดยัญจะอถังกรรมจะรู้การเกิดขึ้นและการดับไปของสังขารคือความคิดปรุงแต่งนะอืมไม่ใช่สังขารคือร่างกายนะสังขารคือความคิดปรุงแต่งอะไรอีก ว, วญญะวิญญาณศักวิญญาณศ สมุทยัยจะถังกรรมจะชาณาติรู้การเกิดขึ้นและการดับไปของวิญญาณนี่นี่คือรู้จริงเพราะในในเวลาเราเรียนเรื่องเหล่านี้เราจึงต้องเรียนเรื่องอาการสามสิบสองเราจึงต้องเรียนเรื่องอาสุพะเราจึงต้องเรียนเรื่องอาหารเร เราจึงต้องเรียนเรื่องเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตนั้นมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของขันห้าในแห่มุมต่างๆจนเขารู้จักรูปขันจนเขารู้จักเวทนาขันจนเขารู้จักสัญญาขันจนเขารู้จักสังขารขันจนเขารู้จักวิญญาณขันแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้แหละดับ มีพรามคนหนึ่งก็ไปถามพระพุทธเจ้าอยากเย็นเหลือเกินเดี๋ยวก็หเดี๋ยวก็ 5, เดี๋ยวก็หเดี๋ยวก็สิบสองเดี๋ยวก็หอเยอะเอาสักอย่างหนึ่งได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้พระเจ้าเลยสอนยังไงในจารสูตรพระเจ้าสอนว่าจิรังวายดีวาติดทั้งนิสินโดอุ ด, ดาวาส ย, ยังวิตกกังวิตกเกติปาเปกังเกหะนิสิตัง คุมมักังปฏิปันโดโซโบหะเลยเยซูมุชิโตพัพโพตาดิโซภิกขุอพัพโพตาดิโซภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังเมื่อรู้อย่างเดียวพระเจ้าเลยบอกว่าเอางี้เธอเดินยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามหรือว่านอนอยู่ก็ตามถ้ามันมีความคิดวิตักกังวิตักเกติปาเปกังเคนิสิจักว่าความคิดอันเป็นอกุศล ซึ่งอาศัยกายเนี่ยอาศัยกายใจเนี่ยเกิดขึ้นความคิดอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นรูเจ้าว่ากุมมกคังปฏิปันโดโซคือถ้าปล่อยให้เขไหลออกไปตามความคิดนั้นนะกุมมคังปฏิปันโดโซนั่นมันผิดทางโมหะเนเยซูมูสิโตและถ้าปล่อยให้ความคิดนั้นสำเร็จมีอำนาจ โมหะในเยซูมุชิโตใจก็จะไปหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์อันเป็นธาตุของโบหะหมายความว่าเวลาความคิดเป็นอกุศลเกิดขึ้นปั๊บแล้วมันสําเร็จอํานาจของโบหะในใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นพอมันความคิดอันเป็นอกุศลสําเร็จอํานาจของโบหะในใจของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอโบหะที่ว่าเนี่ยมันยิ่ง เพิ่พูนความหลงตัวหลงตนหลงรูปหลงนามเรียกว่าหลงในขันต่างาพ่อพูนอัตตาทําให้อุปาทานขันนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเนี่ยแค่ความคิดนะทีนี้ทํำยังไงพระเจ้าบอกว่าโยวิตตังวิตติกโยวิตจีรังวายติวาติทั้งนี้สินดูดวาสนางังโยวิตกังสมาจิตวานะวิตกูปสเบระโตเมื่อ เดินนั่งหรือนอนอยู่ก็ต่างมีความคิดอันเป็นอกุศลเกิดมิตรกังสมายตวานะอย่าไปอยู่ในอำนาจของมันดูความคิดนั้นจนกระทั่งมันละลายหายไปความคิดมันก็คืออะไรทีนี้อ้าวอปาุปาทาพังคะและ ออุปา ท, ทิติพังคะเธ อ, อเด็กว่ามีคนจำได้แล้วพอเราบอกอุปาทพังคะมีคนคานทิติ <c oughs> อ้าวความคิดมันก็คืออุปาทะเดิมทีไม่มีใช่ไหมเออมันเกิดเคลื่อนไหวจากการปรุงแต่งจากภาษาเกิดเป็นอะไรความคิดความคิดแรกต้นเกิดเราเรียกว่าอุปาทะในขณะที่มันตั้งอยู่ยังไม่ดับเป็นทิติ พอมันดับไปเป็นเห็นไหมพระเจ้าเขาบอกว่าวิตกังสมยิตตวานะให้ดูอย่างความคิดนั่นะให้มันดับด้วยที่มันไม่มีอำนาจต่อใจของเราเราก็เพราะความคิดอันเป็นอกุศลยกตัวอย่างทำไมถึงบอกว่าความคิดที่เป็นอกุศลเพราะมันเห็นได้ง่ายอย่างตอนนี้พวกเรานั่งในจิตสงบโกรธไหม เกลียดไหมชิงจังมี้ไหมหดหูไหมไม่แน่ง่วงไหมง่วงง่วงก็เป็นในทีน่นี้ง่วงก็คืออุ ป, ปาทาในขณะที่มันทรงตัวกับง่วงอยู่เป็นทิฏฐิแล้วมันจะดับยังอะ่ะเวลามันหลับเป็นอะไรเมืเวลาหลับเป็นเลย ไม่พังแล้วค่ะเราและพังเวลาเราหลับอ่ะนั่นเรียกว่าโมหะเนยเยสมิชิตโตคือว่าพอมันเกิดความห่วงเรารู้เห็นความม่วงใช่ไหมมันเกิดขึ้นแล้วมันยังม่วงอยู่ไหมเออมันยังม่วงอยู่นั่นคือทิฏฐิก็ดูมันไปเรื่อยๆจนมันหายห่วงจนความม่วงมันดับนั่นคือพังคะ ทีนี้ไอ้ความง่วงเนี่ยดูยังไงให้มันดับดูยังไงให้มันดับถ้าสติไม่แข็งแรงสมาธิอ่อนกำลังเสร็จมันเอาไปกินใช่แหละโดยเฉพาะอย่างนี้เวลานี้นะทานข้าวมาใหม่ๆใครเป็นเจ้าภาพอาหารวันนี้หลายคนนะสองคนนี้เป็นหลักคนเป็นเจ้าภาพอาหารเนี่ย ถ้าใครนั่งหลับยงภูมิใจเถอะว่าของฉัน <c oughs> <c oughs> อ้าวพระย่าบอกว่าวิตกังสมยิตะวันะเมื่อความคิดเกิดขึ้นดูความคิดนั้นให้ดับต้องดูให้ดับไม่ได้ความคิดมันเกิดตามผัสสะผัสสะแล้วมาตามพื้นของสัญญา เรามีอะไรในใจค้างคาอยู่มากๆอ่านมากของสัญญาเวลามันภาษาปั๊บเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งออกไปก็เป็นความคิดมันก็ไหลไปเรื่อยแล้วเราไม่ไปเราไม่ไปดูมันว่าเราไม่ไปปรุงมันแต่เราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันคิดถึงเรื่องอะไรเราไม่ไปคิดถึงสิ่งนั้นแต่เราแค่รู้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดูมัน และความคิดนี้เป็นแปลกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติของมันนะเรียว่ามันปรุงแต่งเพราะเรารู้ไม่ทันคราใดที่เรารู้ทันมันดับพอมันมีความคิดเกิดขึ้นเราไม่อย่างพอความคิดไดเกิดขึ้นปั๊บเราเอาจิตไปรู้รู้ว่าอ๋อมีความคิดนี้เกิดขึ้นมันหายทันทีเห็นไหมมันหายทันทีมันเกิดขึ้นปั๊บพอรู้ปั๊บมันดับนั่นหนึ่งชาติจำไว้เลยนั่นหนึ่งชาติ ในขณะที่ความคิดเกิดขึ้นทรงตัวอยู่นั่นหนึ่งพบเพราะนั้นพบชาติที่ละเอียดก็คือการเกิดและการดับของความคิดนี้เองวันหนึ่งๆเราจึงเกิดดับไม่รู้นับชาติไม่ท่วนและไอาการที่ความคิดมันเกิดดับเป็นพบชาติไม่ท่วนในแต่ละวันแต่ละวันนี้แหละมันจะทำให้เราไปพบชาติอะไรถ้าเปรียบเทียบนะ เอาวันนี้เกิดความโกรธกี่ครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งร้อยครั้งกี่ครั้งก็ช่างมันไปฮ ะ, ะ <laughs> ไม่ใช่มันไปเฉยๆเลยเหีย้ยเลยมันไปแล้วมันไปขุดหลุมฝังเสาปักเสาตั้งคานถ้าเรายังไม่หยุดนะพรุ่งนี้เรายังมาโกรธต่ออีกจากจากอ ตั้งคานเสร็จมันต่อเสาชั้นสองขึ้นมาเป็นบ้านเป็นวิมานเป็นปร า, าสาทอยู่ที่โน่น่ะและแน่นอนเมื่อจิตนี้เมื่อกายรูปนามนี้แตกไปไหนบ้านอยู่ไหนมันไปนั่นแหละบ้านอยู่ไหนอะ่ะบ้านเราอยู่ไหนมันไปนั่นน่ะอ้าวไอ้คนที่ ต่างกับคนทำบุญนะถ้าคนทาบุญมีศรัทธาประสาทะมีจิตใจมีฉันทะเลื่อมใสต่อบุญที่ตนทำนิดนิดหน่อยๆน่อยก็ทำไปทำไปมันก็ไปไหนขุดหลุมปักเสาปูคารอยู่นี่โน่นน่ะอ้าวแต่ปั๊บมันไปไหนกลับบ้านถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นภพชาติคือการเกิดและการดับนี้อยู่ที่นี่ เมื่อความคิดเริ่มเกิดขึ้นเป็นอะไรอุปาทะคือการเกิดขณะที่ความคิดยังทงตัวอยู่เรียกว่าทิตติพอความคิดนั้นดาบเรียกว่าพังคะนั่นหนึ่งชาตินะจำไว้เราไม่รู้ไม่เห็นเอาทีนี้พอเรามาเจริญสติสติกับสมาธิที่เรารู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็มาเห็นความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเห็นความคิดเกิด แล้วความคิดดับพอความคิดนั้นดับมันไม่ใช่ธรรมดานะไอ้ น, นี่มันสร้างที่จิตละจิตจะเกิดอะไรวิตตูกูปสเมรโตเมื่อกี้ถ้าปล่อยให้เขามีอำนาจจิตจะเกิดอะไรโบหะเดเยสูมุชิโต จิตจมูกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นพาตของโบหะกําแพงของโบหะก็จะหนาขึ้นหนาะขึ้นหนาะขึ้นอุปาทานขันที่พระพุทธเจ้าทรบอกว่าสร้างคิดเตนะปัญจุปาทานัขันธาทุกข์ความทุกทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากอุปาทา น, นักขันคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าแต่ทีนี้ในทางกลับกัน พอความคิดเกิดพระเจ้าบอกว่าวิตตักังสอมายิตวานะไอละลายความคิดนั้นคือดูจนมันดับพอมันดับด้วยจิตที่มีสติเห็นอย่างประจักษ์แจ้งว่ามันดับแล้วโดยที่จิตไม่ต้องไปอยู่ในอํานาจของมันพระเจ้าบอกวิตตกูปสเบระโตเมัมแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันจะเกิดความยินดีอ่าระตะแปลว่ายินดี มันจะเกิดความยิน ด, ดีในความสงบอันเกิดขึ้นเนื่องจากความคิดนั้นดับอ่เราดูสิว่าสมมุติว่าเรานั่งอยู่ดีๆนะนู่นเอยจะหลับนะลูก <laughs> เพราะดูความคิดหลับนี่ดูยากมาก <laughs> เราโกรธอ่ะเรานึกถึงสภาวะที่เราโกรธโกรธใครมั่งนี่ก็บ่อยบ่อยทุกคนดูทีตอนที่เราโกรธ หนักไหมห น, หนักอกหนักใจเลยแหละที่เขาเรียกว่าหนักอกหนักใจเลยโกรธเขายี่ยไว้ออพอโกรธเสร็จมันทุกครั้งเราจะอยู่ในอำนาจของมันโกรธแม่ทาไงพูดจริงๆไม่มาออมาเออถ้ามาไม่ต้องพูดพูดแม่มาด้วยไม่ต้องพูดนิ่ไงวไว้ หนึ่งไว้เม่แล้วรโกรธทำไมถ้าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ประแทกเท้าบ้างแหละสําเร็จไหมความคิดสเสร็จสำเร็จแล้วเป็นอะไรโมหะเนยเยสุมุชิโตเอาทีนี้มันโกรธที่นี้มามีของแล้วใช่ไหมมีวิชาแล้วนี่กลับไปถึงเดี๋ยวนะให้ถึงบ้านก่อนระหว่างทางอยากโกรธนะเดินทางโดยการกลับไปถึงบ้านก่อนโกรธขึ้นมาโอ้รู้เลยมันโกรธนละ้ ดูมันดูมันอย่างเดียวเลยใช้สติดูมันพอรู้มันปั๊บว่าความโกรธเกิดขึ้นปั๊บมันดับเลยพอดับปับ๊บรู้ว่าอ๋อมันดับแล้วถ้ามันยังตั้งอยู่เพราะว่าปัจจัยของความโกรธยังเกิดอยู่เช่นว่าเราโกรธแม่เพราะอะไรเพราะแม่เดินช้าพอเราเดินไปข้างหน้าแม่ก็เดินช้าอีกเพราะแม่ใช้ไม้เท้าไง พอแม่ชายไม่ตาเราก็เดินไปด้วยหันไปมอ ง, มองยังช้าอยู่อีกไอ้ความโกรธเอ๊ะรู้ตัวที้ความโกรธเกิดแล้วไเราก็ดูความโกรธหันไปมองแม่ปัจจัยแห่งความโกรธแม่ยังยิ่งชาา้าับาพ่อใหญ่แม่แต่ความโกรธมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูให้มันดับตอนนี้มันเป็นไงทิฏฐิใช่ไหมมันตั้งอยู่มันขยี้จิตเรา มันจึงพิสูจน์ความกล้าของเราว่าเรากล้าสําหรับที่จะใช้สติในการดูความคิดนี้ให้ดับไหมเนี้เราก็ดูพอมันดับในขณะที่มันยังไม่ดับมันข ย, ยี้จิตมันหนักแล้วก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยเราไม่ยอมเอย่ยปากเราไม่ยอมสแสดงกิริยาเพราะเรารู้ว่าเราไม่อยู่ในอานาจของมันแต่มันยังทิฏฐิยังตั้งอยู่ยังตั้งอยู่ยอยพอมันบีบคั้นหนักไปหนักไปหนักไ ป, กไปเราดูไปเรื่อยเรืยื ย, ย, ยแป๊บเดียวอ่ะมันดับ เพราะมันไม่แตกต่างไปจากสิ่งใดๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดทุกๆสภาวะนีพอมันดับปั๊บจิตเป็นไงโล่งเวลาอกุศลมันเกิดความคิดพวกนี้เกิดแล้วมันไม่ดับโดยที่เราไม่อยู่ในอำนาจของมันมันเหมือนเรายืนแบกกระสาร้อยกิโลอยู่บนบ่ามันหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆพอมันดับปั๊บมันเหมือนกับเอาของหนักที่อยู่บนบ่าเรานี่แหละสลัดลงไปตัวเราก็จะ เบาใจเราก็เหมือนกันเมื่อความคิดอันเป็นอกุศลเหล่านี้ดับปั๊บจิตจะเกิดความโลง่งเบานั่นเรียกว่าสหบอันเนื่องจากอกุศลมันดับนี่นี่วิตาอุปสัปสเบระโตหมายว่าเกิดความยินดีในความสหบอันนั้นนะพอพอเหมือนเราโอ้ยเดินทางร้อนเหงื่อไหลคลอยย้อยทํายังไงดีเนาะมันเป็นความทุกข์แล้ว ไปเจอน้ําอ่ะได้จิบเกิดความกระหายใช่ไหมได้จิบน้ําขึ้นมาชกอึกหนึ่งเออเป็นไงสดชื่นจิตมันสงบความสบายอกสบายกายมันก็เกิดเหมือนกันจิตนี้เหมือนกันเพราะมันถูกบี้กันหนักหนักจากอกุศลจิตมันก็จะหนักพอมันดับปับ๊บมันก็จะโลง่ลงโล่งมันก็เบาเบามันก็จะสบายอันนั้นเรียกว่าสหบ จิตมันรู้ว่ามันเกิดความสงบขึ้นมาพออกุศลนี้ดับปั๊บมันสงบขึ้นมาพอความโกรธนี้ดับปั๊บมันสงบขึ้นมาความโกรธนี้ดับปั๊บมันสงบขึ้นมาพอมันเห็นความโกรธเห็นความคิดดับไปแล้วเกิดความสงบจิตเกิดรักตะระโตคือเกิดความยินดียินดีในความสุขตัวนี้เรียกว่าธรรมฉันทะเกิดธรรมฉันทะขึ้นมาเมื่อใดใจของผู้นั้นจะโน้มเข้าไปสู่ กุศลภภาวนาไม่เอาอากุศลแล้วตอนนั้นทั้งเสาทั้งคานทั้งอะไรต่างๆนี่ปูไว้ที่ไหนฮีรีความละอายแก่ใจโอตะปะความเกรงกลัวต่อบาปมีกำลังมากในการที่จะให้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ความโลภมีไหมมีอยู่ มีอยู่ใจเย็นๆความโกรธมีไหมมีอยู่ความหลงมีไหมมีอยู่แต่ความโลภมีไม่พอสำหรับที่จะให้ไปผิดศีลความโกรธมีไม่พอสำหรับที่จะให้ไปผิดศีลความหลงก็มีไม่พอสำหรับที่จะให้ไปผิดศีล น, นี่อันนี้แหละอันนี้แหละเรียกว่าธรรมฉชันทะ พระรามคนนี้ถามพระพุทธเจ้าว่ามันเยอะทำยังไงวะข้อเดียวพอเลยต่อรองอกับพระพุทธเจ้านะว่าโหมันเยอะแล้วเกินอ่ะของพระพุทธเจ้าเนี่ยขอข้อเดียวพระเจ้าบอกฮัลดูความคิดไม่ตกอยู่ในอำนาจของความคิดแค่ดูความคิดที่เกิดและความคิดนั้นดับให้ได้บ่อยๆเข้าแค่นั้นเองพรหมา์คนนี้ก็ทำตามโอ้โหกระจัด เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอะไรตัวที่จะต้องดูใช่ไหมตัวที่จะดูรู้และเห็นตัวนี้เราต้องใช้อะไรสติใช้อะไรอีกไม่ใช่สติอย่างเดียวนะต้องใช้สติสตินรู้สมาธินะเห็นสติสมาธิให้ไปรู้ไปดูไปเห็นพอมันเกิดและก็ดับตามความเป็นจริงก็เกิดเป็นอะไร ปัญญาจึงเกิดเป็นสติสมาธิปัญญามพรการเจริญส ต, ติหมายความว่าพัฒนาจิตนี้ให้มีสติสมาธิปัญญาเท่านี้จึงจะไม่ผิดจากที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนใครจะมีเทคนิคมีความสามารถทำอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะต้องเดินเข้าหาตรงนี้เดินเข้าหาสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นถ้าไม่มีสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นมันจะมองไม่เห็น เข้าใจั้มล่ะมันจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นความคิดตัวนี้ที่จะเกิดขึ้นมองไม่เห็นอุปาททิติ i ังคะแต่ถ้าเป็นสิ่งอื่นอ้าวแก้วน้ำนี้มีอุปาททิติ i ังคะใช่ไหมสามารถรู้ได้ใช่ไหมเออยิ่งเรียนมาเนี่ยรู้ได้เลยเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้มันเกิดจากเอาขวดมาเอาน้ําใส่บรรจุ ก, ก็ไปแล้วก็ปิดขวาติดฉลากก็เกิดมาเป็นรูปแบบนี้เอารู้ไวล้ละเอียดลงไปอีกก็แยกออกมาขวานี่ก็เกิดมาอย่างหนึง่งขวดนี้ก็เกิดมาอย่างหนึง่งน้ําก็มาอย่างหนึง่งฉลากนี่ก็มาอย่างหนึง่งแต่และตัวเป็นอุปาทะทิติพังค้าหมด่นะรู้เข้าใจจบเก็ด <c oughs> ใช่ไหมแต่ มันใช้อะไรได้ใช้พูดใ ห, ให้คนอื่นฟังใช้ริดรอนอาสวะได้ไหมขัดเกลาจิตใจได้ไห ม, ไมไเวลาจะขัดเกลาจิตใจจะต้องไปไหนะนะเออขันห้านี่นานนานมาทีตอบได้ไ ม, ไม่มีรางวัลให้ <laughs> เวลาจะเป็นธรรมะเนี่ยเราไปเห็นสัตว์นอนตายหนอนชรชัยเรารู้สึกยังไง ไปสังเวชรู้สึกโอ๊ยเหม็นสังเวทเป็นธรรมะไหมเอาเอาดีๆเป็นไหมเพราะเห็นสัตว์เห็นสัตว์นอนชอนใจเกิดความสังเวชใช่ไหมกำลังจะกินข้าวอยู่เป็นไง <c oughs> กินไม่ลง <c oughs> เพราะอะไรฮะ เพราะจิตมันปรารถนาความสะอาดจิตปรารถนาความสวยจิตปรารถนาความหอมจิตปรารถนาความอะไรที่มันดีดีกว่านี้นั่นคือตัณหาล้วนๆนะเพราะฉะนั้นเห็นอย่างนั้นเกิดความรู้สึกแบบนั้นไม่เป็นธรรมะมันจะเป็นธรรมะตอนไหนะ เออนั่นแนะนั่นแนะนั่นแนะนั่นแนะนั่นเห็นมันเปื่อยเน่าผูกพังหนอนชอนใจสกรปรกกลิ่นเหม็นฟุง้งเห็นมันเป็นอย่างนั้นโอ๊ยนอนเข้ามาสูก่กายสู่ใจรูปนามของเรานี้ว่าแม้เรานี้ก็เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเมื่อ ก, กายนี้แตกมันก็จะตอนอนนิ่งนิ่งถ้า ด, ดินแยกธาตุน้ําแยกกายธาตุดินก็จะเปื่อยเน่านอนก็จะชอนใจแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบ ไอย้ยางเี้เรียกว่าสลดที่แท้จริงนี่จึงจะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจเจริญสติให้จิตนี้พัฒนาทั้งสติทั้งสมาธิและก็ดูในส่วนที่เป็นปัญญาของเราให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตพัฒนา การปฏิบัติธรรมของเรานี่ก็จัดตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อเถอะเราจะหลงแค่ไหนอ่ะเราจะหลงแค่ไหนวาเรารวยอย่างทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ในช่วงโควิดใครรู้สึกว่าตัวเองจนมั่งแย่ลงมีแย่ลงไหมช่วงโควิดมีแย่ลงไหมมีแหละไม่มีไม่ได้หรอกแย่ลงใช่ไหมเ <S S 2> <Yeah. S 1> พราะรายรับมันลดลง <Yeah. S 1> แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น ยิ่งอยู่แต่บ้านเนี่ยยิ่งยายจ่ายหนักเพราะว่าทั้งแกลปทั้งอะไรฮะแพนด้าอะไรอีกลายแมนอะไรอีกละไรตอนนี้เป็นโคจิตโอ้โหสมแล้วตอบได้สมตามฐานะเนี่ยพอรายรับไม่มีรายจ่ายก็เพิ่มขึ้น มันก็เกิดความอึดอัดขัดสนพ อ, อได้รับดีๆก็สบายเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรเป็นอนิจจังมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่สาระเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเจริญสติได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้ดังนั้นเราจะมีแค่ไหนหรือจนแค่ไหน สุดท้ายเราจะต้องทำลายกำแพงของความหลงการทำลายกำแพงของความหลงนี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้สติสมาธิและปัญญาเท่านั้นไม่ว่าเราจะไปยึดติดกับอะไรก็ช่างแหละแต่สุดท้ายมันจบถ้าเราเข้าไม่ถึงพังทลายกำแพงของความหลงไม่ได้มันจบแล้วก็จบไม่สวย ก็เรียกจบไม่สวยจบตรงนี้แล้วก็มีใหม่จบตรงนี้แล้วก็มีใหม่จบตรงนี้แล้วก็มีใหม่ยังคนที่ปรารถนาส snake, ิ่งเหล่านี้มันก็มักจะเอาตัวเองไป Associate. เปรียบเทียบเปรียบเทียบคนนั้นเปรียบเทียบคนนี้เปรียบเทียบคนโน้นเข้าไปไม่สู่ขันไม่สู <lands. S 2> ่รูปสู่นามสู่กายสู่ใจของตัวเองถ้าเรารู้อย่างนี้เรากงเห็นว่า การที่เรามีชีวิตอยู่หายใจเข้าหายใจออกได้อยู่รู้สึกตัวอยู่ยังไม่ตายมีค่ามากและไม่ใช่มีค่ามากกับการที่เรามีสมบัติมากแลมันมีค่ามากกับการที่จะได้ใช้กายใจเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติสมาธิและปัญญาเพื่อเอาสติสมาธิและปัญญาเนี่ยไปรู้เห็นการเกิดและการดับของขันธ์ทั้งห้า เมื่อจิตรู้ในการเกิดการดับของขันธ์ห้าอย่างกระจ่างแจ้งประจักษ์แจ้งชัดแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเราจึงจะได้ยินคำว่าอิสรภาพเป็นจริงถ้าอยู่ในกำแพงของความหลงเหมือนเราทุกคนนะ่ะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรว่ายน้ำกันอยู่ว่ายน้ำกันดำผุดดำว่ายกันอยู่นั่นนะ่ะอยู่ในระหว่างนั้นก็กิจกรรมเ ย, เยอะแยะไปหมดเลยบางคนเนี่ย การเคลื่อนไหวที่กำลังว่ายอยู่นั้นยิ่งว่ายยิ่งห่างออกจากฝั่งบางคนยิ่งทงตัวอยู่ก็ยิ่งจมลึกลงไปไอ้พวกที่ว่ายออกจากฝั่งนี่แต่ทุกชีวิตนะอยากจะพ้นจากภาพนั้นอยากจะขึ้นไปยืนบนฝั่งแล้วก็หายใจได้แบบสบายอกสบายใจอิสระเฉื่เรื่อเนิ่นนาน เหมือนเราที่เกิดในวัดตาสงสารที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ยพอเกิดจากท้องแม่อาดูนะพอเก่อตัวในท้องแม่ปับ๊บหมุนตัวอยู่ในนั้นเก้าเดือนชีวิตเราเป็นไงจมอยู่ในน้ําคร่าหายใจไม่ได้เลไม่ได้หายใจนะงูกอยูนั้นแหละถ้าถามตอนนั้นนะถ้ามันคุยกันรู้เรื่องจะถามว่าอึดอัดไหมวะมันก็คงจะตอบว่าอึดอัดมาก <c oughs> อยากออกจะเต็มแก่แล้วเออพอออกมาปับ๊บก็เลี้ยงดูเสร็จตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายประสาทเริ่มเรียนรู้แล้วมันก็มีสิ่งอะไรชอบกับไม่ชอบกลางมีไหมไม่มีชอบ ชอบเสียงนี้ชอบฟังเสียงอย่างนี้ชอบกลิ่นอย่างนี้ชอบรสชาติแบบนี้ชอบการสัมผัสแบบนี้ชอบจินตนาการอย่างความคิดอย่างนี้ชอบไปเรื่อยๆแลวแตกแยกแยะออกไปชอบรสยี่ห้อนั้นสีนี้ชอบเสื้อผ้าเสื้อที่ใส่ยี่ห้อนั้นสีนี้ชอบกระเป๋าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ชอบนี่อีกหน่อยนี่หน้ากากที่ใส่นี่ตอนนี้ใส่สีนี้อีกหน่อยจะมี ยี่ห้อแบรนด์เนมผลิตหน้ากากนี้ออกมาขายเพราะคนจะต้องใช้เป็นของประจำวันนล้อย่างหน่อยก็จะมีแบรนด์เนมออกมาเป็นกากนอกฮะซื้ อ, อยังอ่ะ <c oughs> อยกงหน่อยก็จะมีแบรนด์เดมมาสวมแล้วก็จะมีไส้กรองข้างในและเฉพาะยี่ห้อซื้อตัวซื้อตัวหน้ากากมาแล้วเนี่ยไอ้ไส้ในที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็จะต้องของยี่ห้อนั้นเอายี่ห้ออื่นมาเปลี่ยนไม่ได้ อืต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วเนี่ยไอ้แบรนด์นั้นแบรนดน์นี้แยกย่อยกันออกไปแต่แท้ที่จริงมันคืออะไรมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนั่นแหละมันไม่ใช่อย่างอื่นมันแค่แปลกเรื่องแปลกราวออกไปเท่านั้นเองเอาทีนี้มันมีในเรื่องชอบใจกับไม่ชอบใจโตขึ้นมากับเรื่องชอบใจและไม่ชอบใจเอาตอนเด็ก ก็ชอบใจและไม่ชอบใจโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็มีแค่ชอบใจและไม่ชอบใจเรียนจบเรียนหนังสือก็ชอบใจและไม่ชอบใจเรียนจบไปทํางานชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจอ๋อคิดดูดีๆจนแก่แล้วในนี้ยังไม่มีใช่ไหมอืมในนี้ยังไม่มีนะไอ้คำว่าจนแก่แล้วเนี่ยก็ยังมี ชอบใจและไม่ชอบใจนอนอยู่บนเตียงจะตายอยู่แล้วก็ยัง ม, ช ม, ชนนมีชอบใจและไม่ชอบใจจนในที่สุดจะตายมันก็ตายไปกับอะไรชอบใจและไม่ชอบใจเออความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเกิดจากชอบและก็ไม่ชอบนี้เท่านั้นนะไม่มีอย่างอื่นตายไปเสร็จเกิดมาใหม่ออกมาจากท้องแม่เสร็จได้รับการเรียนรู้ก็เริ่ม ชอบใจและไม่ชอบใจชอบใจและไม่ชอบใจจนตายไปอีกเกิดมาใหม่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจบเหมือนกับไออยู่ใน่ายอยู่ในมหาสมุทรอ่ะไม่ีอะไรมัง่งปรารถนาที่จะให้พ้นออกไปแต่มันพ้นไม่ได้พอมันพ้นไม่ได้ทำยังไงอ่ะก็มีคำพูดกับพูดหนึ่งก็เรียกาตามยถากรรมโชคดีไปเจอมักขาขายี มักขขายีไหนพูดสิมักขขายีายจำไว้นะคําเนี้ยมักขขายีแปลว่าผู้ชี้ทางในขณะที่เราดําผุดนดำไหวด้ดําผุดนดำไหว้อยู่เราเจอมักขขายีมาบอกเราว่า อา่านั่งกันอยู่เนี hollow, ้ยในเนี้ยนี่ตอนนี้มีอยู่สามสิบบอกว่าทางที um. form, shore, ่จะไปถึง <and> ฝ <BLANK, S 1> <and> <uate> <army> ั่งไปทางนี้นะในนั้นน่ะคนที่เชื่อมันก็ไม่ไปไหนแล้วตั้งหน้าตั้งตาใช้เเรียวแรงทั้งหมดที่มีไหว้ไหว้ไหว้ไวววววเพื่อไปให้ถึงฝั่งบางคนก็เริ่มไหว้ไปแล้วแหละ ไปเจอเพื่อนด้วยกันว่ายกลับเอาไหมอ่เฮ้ยเหมือนกันแหละไปฟังโน้ไนไม่มีอะไรเลยมีเดีวโอ้ยไปฟังนี้ดีกว่าเอาก็เลยกลับอีกกลับอีกเพราะฉะนั้นในเส้นทางที่ชื่อว่าไคำว่ามักขักขาีเราเจ อ, อยังเจ อ, เจ อ, อยังคือใครพ ร, พ, พระพุทธเจ้าคือมักขักขายีของเรา ศึกษาอย่างเชี่ยวชาญละเอียดบทจดเรื่องของการพัฒนาสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาพูดเฉยๆนะทดลองด้วยพระองค์เองจนรู้อย่างกระจ่างแจ้งในกระบวนการทั้งหมดวิธีการที่จะฝึกฝนด้วยแล้วก็ทำหน้าที่มักขักขายีคือมาบอกพวกเราอันเดี่ยวดีเราเนี่ยล่ะ จะแน่วแน่กับพระพุทธเจ้าแค่ไหนมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทำยังไงถึงได้รู้อ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่พักไม่เพียรเทวดาใส่หัวเลยอะไรไม่พักไม่พักแต่ไม่เพียรคืออะไรไม่พั ก, กไม่เพียรก็หมายความว่าถ้าว่ายน้ำจะอยู่ในทะเลถ้าพักก็จม ถ้าเพียนอยู่ถ้าว่ายอยู่ก็คื อ, อยังไม่ถึงแสดงว่ายัางไม่รู้ถูกไหมพระเจ้าบอกเราไม่พักไม่เพียนแต่พวกเราไม่ต้องอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทําไว้หมดแล้วพระพุทธเจ้าทําไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่อะไรแค่เชื่อต่อพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามพระองค์อย่างมั่นคงและแน่วแน่แค่นั้นเองแล้วเราก็จะได้เจอถ้าไม่เช่นนั้นนะ เราก็จะตายแก่ตายไปเป่าๆพร้อมกับที่จะต้องเกิดมาใหม่อีกครั้งไอ้ตอนนี้ร่างกายหนุ่มๆสาวๆ ส, สวยๆหล่อๆก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับความหนุ่มกวามสาวมันอยู่กี่วันฮะมันอยู่กี่วันนี่ก็หลังรอสคนเนี่ยผมเป๊บเดียวก็ขาวแล้ว พอเริ่มเขาใหม่ๆย้อมอุ้ยตกอกตกใจหมดเลยเพราะผมเขาใหม่ๆแล้วยอมยอมเอาเดี๋ยวก็ย้อมย้อมไปยอมมาเบื่อแล้วเว้ยเลิกย้อมก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยแล้วใครบาบอกอห้ย้อมเอ้ย้อมไปเถอะเคยมาแล้วใช่ป่ะเคยย้อมจนเบื่อแล้วย้อมไปก็เอาไม่อยู่ผิวหนังของเราที่มันแต่งตึงอยู่เนี่ยมันแต่งตึงอยู่กี่ปี เต่งตึอยู่กี่ปีไอคนที่มันเริ่มไม่แต่งตึงมันน่าจะตอบได้ไอคนที่แต่งตึงอยู่มันก็น่าจะยังไม่ตอบก็ไม่ว่าไม่เป็นไรอ่ะแต่คนที่มันมันมันเริ่มไม่แต่งตึงมันน่าจะตอบกันได้บ้งเอามันเต่งตึงอยู่กี่ปีหกสโอ้โหนานมากไปคลินิกครับคลินิกวิศวกรหอย ไม่นานมากนะติงตึงหกสบปีเนี่ย <l ần> ติงตึงกี่ปีหลักหลักการมันติงตึงกี่ปียี่สิบห้ายี่สิบกยี่สิบห้ายี่สิบกสังเกตฮะเออคือไอ้ส่วนที่มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหร อ, อมันจะมีมากกว่าส่วนที่สึกหรอ มันก็จะทำให้เต่งตึงในลักษณะที่ยืดเพราะเด็กทารกออกมาจากครรนแม่ใหม่ๆเราออกจากท้องแม่ใหม่ๆทำไมมันถึงยืดยืดยืดยืดยืดยืดเพราะไอ้ตัวที่สึกหรอมันน้อยส่วนตัวที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมันไปซ่อมแซมบำรุงเนี่ยมันมันเยอะกว่ามันก็เลยยืดยืดยืดพอเราอายุย5 2 6บห้ายี่หกมังไงหยังนี่จยุดเท่าไหร่ โอ้ยสีบสองนะเธออย่าเพิ่งตกใจขนาดนั้นพออายุยี่บ้าบกมันหยุดยืดแล้วคือการการ ส, สึกหรอกับการซ่อมแซมเนี่ยพอกันอือพอกันพอเลยกว่านั้นไอตัวที่นี่ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนนะไอตัวปล่อยนานไปกว่านั้นไอตัวที่สึกหรอก็จะเยอะขึ้นตัวที่ออกมาซ่อมแซมก็นอ้นอยลง พอน้อยลงมันก็เริ่มออกมาจากไหนหางตาใช่ไหมหางตาตามข้อพับตามไอ้กงจักแร้ตามข้อศอกอย่างนี้เริ่มแล้วถ้าไม่เชื่อแล้วดูได้เลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันอะไรเกิดกำลังเราถดถอยถดถอย ถดถอยถดถอ ย, ถอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยทุกชีวิตเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าปักไปที่กายที่ใจที่รูปที่นามแท้ๆทุกคนเหมือนกันเอาเปลือกเอาสิ่งที่มาแปะออกให้หมดน่ะเหลือแค่กายแคใ่ใจนี้ทุกชีวิตเหมือนกันอุ ป, ปาทิฏฐิพังคะอนิจจังทุก ข, ขงังอนัตตาไม่มีแตกต่างเหมือนกันหมดทุกชีวิต ที่เราสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเพราะเราไม่ได้ปักไปที่รูปที่นามถูกป่ะเราสำคัญว่าเขาดีกว่าเราเราก็ไม่ได้ปักมาที่รูปที่นามที่เราว่าเขาดีกว่าเราเราดูตรงไหนดูตรงฐานะดูบ้านดูยี่ห้อของรถดูเงินเก็บในธนาคารดูเราดูว่าเราดีกว่าเขาดูตรงไหนดูฐานะของเราเหมือนกัน เราไม่เคยดูกายดูใจเราไม่เคยดูรูปนามแท้ๆของเราหรอกถ้าเราดูรูปนามแท้ๆเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครดีกว่าใครทุกจริงเป็นไงอุปาททิฏฐิพังขาใครมาบอกเรามักขักขาหยีมักขักขาหยียจําไว้จำไว้วันนี้มีสี่คำที่จะต้องจําอุปาททิฏฐิพังคะ และมัคค ข, ขายีจำไว้เลยเฮ้ยพอเรามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ที่พูดพูดคุยกันอยู่เนี่ยเพระพเาะใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําหน้าที่มัคคข า, ขายีคือผู้บอกทางเท่านั้นผู้บอกทางว่าวิธีการที่จะทําเมื่อแต่เดิมอย่างเขาบอกพภหุงเวสรนังยันติ บ, บัตานิวนานิจะอารามารุกเจตยานิมนุษย์ทราบพยาตจิตา มนุษย์ผู้เห็นภัยคือความตายคุกขามก็อดดนทนไม่ไหววิ่งเข้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจํานวนมากเลยเบาวเวสนังยันติบบตตาณิวนานิจักหาภูเขาบ้างหาป่าบ้างอารามมรุก ข, ขเจตยานิหาอารามหาต้นไมห้หาเจดีมนุษย์ทาพยาตาชิตามนุษย์ผู้ชนนี้นะแต่ว่า พระเจ้าบอกเนตังโคโสระนังเคมังเนตังสระนมุตเตมังเนตังสระมาคัมมะสบับบาลุข้าพุทติเราไปอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้โยจะพุทธันจะทำมันจะสั้งกันจะสรณังคตาผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่การถึงพระพุทธรทพระธรรมพระสงฆ์ถึงยังไงเวลาพระเจ้าบอก ถึงพระรัตนใจถึงพระรัตนใจยังไงพระสงฆ์อย่างนี้อ่ะพระพุทธอย่างนี้อ่ะพระธรรมอย่างนี้อ่ะพระพุทธประธรรมพระสงฆ์คืออะไรอืมการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระเจ้าบอกเลย จะตาริอริยสัจจานิสัมมัปั ญ, ญญาปัสสติดุกขังดุกขสมุปปังดุกขัสัตติกมังอริยเจตังคิกังมักังดุขคู่ปสมะคามินังนี่จึงจะเป็นเอตังโขสรณังเขมังการถึงพระรัตนตรัยนั้นหมายความว่าผู้นั้นจะต้องเห็นรู้ทุกต้องรู้ในทุกรู้ทุกของอะไร ของรูปของนามของกายของใจให้ได้ต้องรู้ให้เห็นให้ได้อยู่มาหกสิบปีเจ็ดสิบปีอยู่ม า, มานี่กี่ปีสี่สิบสองแล้วลูกเออสี่สิบสองก็ต้องเห็นให้ได้อยู่ให้เห็นให้รู้ว่ารูปนามหรือกายใจนี้มันทุกข์นี่คือการถึงรัตนารอย จตาริอริยสัจจานิคือในอริยสัจสังติส ม, มัปปัญญายปัสสติให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบคือด้วยปัญญาที่มันมีสติสัมปช ส, สติส ม, มาธิและปัญญาที่ฝึกฝนมาแล้วเห็นไปเลยว่าทุกขังคือทุกขทุกขสมบรณ์ดังคือเหตุของความทุกข์พอเห็นว่ากายนี้ทุกขรูปนามนี้ทุกรู้ยังเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรเราทํายังไง เราทำไงเราก็ไปแก้ด้วยวิธีที่ผิดผิดตามความเชื่อเยอะแยะมากมายอันนี้เราไม่ไม่ไม่อยู่กับพระรัตนตรัยแต่ถ้าเราเห็นทุกขังทุกขสมุปปั ง, ง, งคือเห็นเหตุของความทุกข์อริยันจัดทั้งคิดกังมกักคัางดุกู้ปัสมัคามินังและเห็นทางสำหรับที่จะปฏิบัติเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ เห็นอย่างงี้อจึงจะชื่อว่าอยู่กับพระรัตนตรัยถ้าไม่เห็นตรงนี้อ้าวถ้าไม่เห็นทุกถ้าไม่รู้ทุกไม่เห็นไม่รู้เหตุของความทุกไม่รู้ถึงสภาพของความดับทุกขไม่รู้ทางของความพ้นทุกขแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องนี้ชีวิตเราเป็นไงก็เหมือนเราว่ายน้ําไปเจอเพื่อนกลับมาเฮ้ย hey, ขวางโน้นขวางโน้นเห็นเป็นก้อนไม่เกี่ยวเขีย ว, ยวบกขวางโน้นมีภูเขาใกล้กว่า ไ่เชื่ออะไรเราทางนี้ก็วิ่งไหยกลับมาอีกมันก็โลเลงอนแงนกลอนแคลนเข้าใจไหมเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องถึงถึงพระรัศนาอะไรก็คือรู้ทุกที่ไหนที่รูปที่นามที่กายที่ใจไม่มีใครในอนันตจักรวานที่จะสามารถทำความทุกข์เรา ให้หายได้ไม่มีใครทำความพ้นทุกขแล้วเอามาป้อนให้กับเราได้ไม่มีคนที่ทำได้ดีที่สุดก็เพียงแค่มักขัดขายีาเออแค่บอกทางเท่านั้นนหะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาสติสมาธิปัญญาให้ถูกวิธี ตามหลักที่พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งบอกทางได้สอนเราไว้เท่านั้นถ้าเรามั่นคงแน่วแน่อย่างนี้รับรองได้ถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่ๆเราก็จะได้เปรียบเพราะอะไรเพราะเครื่องมือในการฝึกฝนมันใหญ่ปักไปที่กายปักไปที่ใจลองดูสิเออ พิจารณาอาการสามีสองผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารเก่าด้วยสติพิจารณาลงไปพิจารณาว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอาตัวที่ธาตุดินแต่ธาตุน้ำก่อนยังเป็นเป็นๆอยู่เห็นมันเป็นธาตุอ๋อเห็นมันเป็นก้อนตาจนในที่สุดจิตรู้ได้ว่ากายนี้เป็นเพียงแก่ก้อนธาตุก้อนหนึ่งอ๋อดูสิแตามันตั้งอยู่เฉยๆมันเป็นธรรมชาติที่อะไรที่มันประกอบ ด้วยเหตุและปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปสเสมอเสมอไม่เคยคงที่อยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของมันเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของกายเนี่ยเนี่ยเรียกว่าทุกข์ทุกข์นี้เกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้เป็นสัจจะเห็นให้เป็นอย่างนี้และก็แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความรู้ทั้งหลายเนี่ย มันสามารถใช้หลักการอนุมานมองมองรูปนามของตัวเองได้ว่าอนาคตอีกไม่กี่ปีถ้าเราไม่ตายด้วยเหตุอย่างอื่นเราจะต้องนอนติดเตียงมีใครคิดว่าตัวเองไม่นอนติดเตียงมัง่งถ้าไม่ตายด้วยเหตุอย่างอื่นมีไหมถ้าไม่ตายด้วยเหตุอย่างอื่นจำไม่เจอนอนติดเตียงทุกคนอย่าตายนะเ <c oughs> <c oughs> ออ นี่ตอนนี้ห้าสิบเจ็ดมีแรงที่จะพูดใช่ไหมมีแรงที่จะเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใช้อันี่อะไรวอล์กเกอร์เพราะมันมีแรงอยู่ต่อไปเป็นไงต่อไปก็แรงจะหายไปเรื่อย ๆ, ๆในที่สุดเดินไม่ได้ล้วตามปกติต้องใช้ไม้เท้าทำไมต้องใช้ไม้เท้าอ่ะเพราะแรงมันหายไปไงต่อไปไม้เท้าก็ไม่ไหวแล้ว อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร็วเกินใ <G alez> จเย็นๆค่อยๆค่อยๆต่อไปต้องอะไรวอเกอร์ <Walker. S 2> ใช่ไหมวอเกอร์ Walker ก็โอ้ในขณะที่ใช้ไม่เท้านี่โอยยิ่มแย้มเต็มตาตายังเพียบไม่เห็นทุกเลยขณะถือไม่เท้าเดินแล้วนะเรียวแรงมันมันเอาไปหมดแล้วทุกปรากฏแล้วไม่เห็นทุกขณะถือไม่เท้าอยู่ยังไปชมนกชมไม้ยัง ยังหลงอยู่เต็มที่เลยเอาใช่ไม้เท่าไม่ไหวแล้วใช่วอเกอร์ยังตีหัวหลานได้เลย <c oughs> เพราะว่าอะไรมันไม่เห็นทุกข์ไงก็ไปเรื่อยจากวอเกอร์ต่อไปเป็นอะไร <c oughs> อืมมาได้แล้วทีนี้ <c oughs> ต่อไปก็เป็นรถเข็นดช่ป่ะเเป็นรถเข็นปไปเรื่อยเรื่อยเรืยพอรถเข็นทีนี้รถเข็นก็ไม่ได้แล้วต้องอยู่ที่ไหน <c oughs> อะเวลาจะไปห้องน้ําทีทําไง ใหม่ๆติดเตียงแล้วเวลาไปห้องน้ำยังไงติดเออติติดเตียงใหม่ๆใช่ไหมพอติดเตียงไปนานๆเป็นไงฮะจะหนักหรือจะเบาเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาทำไงขอสองพยาบาลสองคนก็ยกขึ้นแล้วก็สอดไอ้ดึงอันเก่าออกเอาอันใหม่สอดเข้าไป แล้วพอนานไปเรื่อยๆเป็น ไ, ไงหลัง <gue> กดทับเ ป, ปื่อยบางคนก็เป็นหนอนก็มีสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นหรอกก็ไปเรื่อยๆอย่าตายนะอยา่อาตายอ้าวกินเป็น ไ, ไงกินเคี้ยว ไ, ได้กลืน ไ, ได้ย่อยได้ดูดซึมได้โอเคอ้าวต่อไปเป็นไงเคี้ยวไม่ได้แต่ย่อยได้ ดูดซึมได้พอเคี้ยวไม่ได้เขาทาไงายยาฮะบดบดแล้วก็ใส่ส ท, สท่อเข้าไปเพื่อให้ไปถึงกระเพาะกระเพาะก็จะทําหน้าที่เพราะมีกําลังอยู่ใช่ไหมก็ย่อยต่อไปย่อยได้ไห ม, ไมไกําลังที่จะย่อยหายไปใช่ไหมอ๋อทำไงอ่ะทีนี้ฮะฉีดที่ไหนไ ม, ไม่เดี๋ยวนี้เขามีแล้วสมัยก่อนมันเดี๋ยวนี้มีแล้ว เข้าทางเส้นเลือดเลยคือตัดระบบการย่อยตัดระบบการดูดซึมออกไปที่เข้าไปเส้นเลือดเพื่อเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาทกล้ามเนือ้อต่างๆยังอยู่ได้ไหมอยู่ได้อ้าวทีนี้อวัยวะภายในทุกตัวเราติดเตียงถ้าเราอายุห้าสิบมันห้าสิบเฉพาะอายุหรือว่าห้าสิบทั้งหมดหัวใจห้าสิบไหมห้าสิถ้าเราแปดสิบ หัวใจก็ห้าแปดสิบกระเพาะล่ะ 8, <10. S 1> ทุกอันมันมีอายุมีลิมิตหัวใจนี่นับตามกำลังของการบีบเหมือนพรินเตอร์ที่เราซื้อมาเครื่องหนึ่งอะว่าว่าว่าอายุของไอ้บุญพิมพ์เนี้ยพิมพ์ได้สองพันแผ่นกระดาษเอซีตัวหนังสือสิบสองพ้อยแต่ทีนี้บางทีเราก็พิมพ์กราฟฟิกใหญ่ๆออกมามันก็ไม่ถึงสองพันแล้วใช่ปะ<ม>เออ เหมือนกับหัวใจที่มันมีอายุจากการบีบตัวหนึ่งครั้งเกิดความสึกหรอหนึ่งครั้งเกิดความสึกรอถ้าใครหัวใจบีบทีเจ็ดสิบแปดสิบครั้งอายุเป็นไงสั้นลงอย่าตกใจนะใครที่ไปวัดมาหัวใจเต้นเร็วยมพ่ออาตมาเนี่ยอายุเก้าสิบปีนี้หัวใจแกแค่ หกสิบหัวใจแกแค่หกสิบเองนะอย่างเงี้ยเอออยู่นานอยูนน่แต่ก็เริ่มติดเตียงแล้วแหละอ้าวทุกทุกอวัยวะที่อยู่ข้างในเป็นไงมันมีอายุของมันนี่เราพูดเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้สำหรับที่จะไปทำลายความหลงกับการที่เราหลงกายหลงใจ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ในระหว่างที่เรานอนอยู่บนเตียงอะที่ติดเตียงอยู่อ้อาวฉีดถึงขั้นฉีดแล้วนะถ้ายังไม่ตายเลยนะทีนี้มันก็เกิดอะไรเกิดความทุกข์จริงจังแล้วเวทนาทุกขเวทนาเจ็บปวดแสบรอบ้อนเกล็ดเมื่อยเยอะแยะไปหมดเลยมันเหมือนกับเหมือนกับเอแก้วทรงกลมแบบเนี้ย ือแล้วเราก็บิดบิดต่อเนื่องบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆใช้ไฮดรอลิกบิดแล้วอย่าบิดกับมือเด็ดบาดมันมีแต่อะไรตึงแกร่งปริร้าวแตกเข้าใจภาพไหมฮะมีแต่ตึงเกร่ง รราแล้วก็เหมือนกับร่างกายเราเนี่ยมันบิดทุกวันบิดทุกวันบิดทุกวันอาการที่จะออกมาเนี่ยไม่มีร่างถ้าตัดสิ่งแปะออกไปสิ่งสมมุติออกไปสิ่งเสริมออกไปเอาเฉพาะรูปนามแท้ๆเราจะเห็นชัดว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ที่เกิด ที่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ปรากฏเวลามันสุกอะ่ะคือช่วงที่เราไม่ได้เห็นทุกเราก็เผลอเห็นว่ามันสุกแค่นั้นนิดเดียวพอไม่ได้นอนพอนอนไม่หลับไปไงทุกทุกแล้วนิดเดียวแล้วหัวใจที่มันทำงานของมันที่บีบตัวอย่างว่าเนี่ยมันต้องหยุดใช่ไหม กับเพาะอาหารที่มันย่อยอาหารให้เราเป็นไงมันก็มีอายุของมันมีอายุหมดแล้วลองนึกสภาพดิเรามาอายุอานี่ว่าตัวเองแล้ววะเรามาอายุห้าสิบเจ็ดอีกปีสองปีหรือสามปีก็จะหกสิบเนีมันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่มันเริ่มเข้าจูอายุที่ เครื่องยนต์เรารถเนี่ยเขามีระยะใช่ไหมระยะนั้นระยะนั้นระยะนั้นระยะนั้นระยะนั้นทําอย่างนั้นระยะนั้นทําอย่างนั้นระยะนั้นทําอย่างนั้นระยะนั้นทําอย่างนั้นเหมือนกันเลยมันจะกลับไปเป็นอย่างเดิมได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นถ้าดูไปที่กายที่ใจที่รูปที่นามทุกคนจําไม่เลยเราก็จะเห็นทุกและวิธีนี้แหละพอเราเห็นทุกปั๊บ มักขัดขายีคือผู้ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนเราพ้นจากทุกข์ที่เราเห็นนั้นได้เหมือนกับคนที่ว่ายน้ําอยู่ในถ้ำลาหมหาสมุทรคนที่บอกทางคือผู้ที่เขาอยู่บนฝั่งเขามาบอกทางว่าไปทางนี้ถ้าเราเชื่อมัน่นต่อเขาว่ายไปทางนั้นเรื่อยๆเขาก็จะถึงฝั่งและลุกขึ้นไปเดินอย่างอิสระเสรีได้ เพราะการมีพระรัตนตรัยต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้นะไม่ใช่ไปถือพระรัตนตรัยแล้วโอ้ยเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าอันนี้เรื่องจริงอ่ะไหว้พระพุทธระวังสะดุดอะไรเออเราจำไว้มั่งไงของพันอย่างเงี้ยไหว้พระพุทธระวังสะดุดทองคําไหว้พระธรรมระวังขยําใบลานไหว้พระสงฆ์ระวังจะไปหลงลูกชาวบ้านหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูด เอาลองพูดสิไหว้พระพุทธระวังสะดุดไหว้พระธรรมระวังขย้ำไหว้พระสงฆ์ระวังหลงลูกจําไว้ในใจแต่อย่าวอาไปท่องต่อหน้าพระเพราะว่าอย่างนั้นไม่ใช่พารัตน์ใจและใครสอนอย่างนั้นคือพระรัตน์ใจสอนผิดพระเจ้าตรัสเด่นถ้าเราถึงพารัตน์ใจด้วยการเห็นทุกรู้ทุก ในรูปในนามนะแล้วก็เชื่อในพระพุทธเจ้าในการที่จะไปปฏิบัติตามมรรคปฏิปทาเพื่อความพบื่ทุกนั้นแล้วผู้นั้นแหละพระเจ้าตรัสว่าเอตังโคสระนังเขมังนั่นคือที่พึ่งอันกเกษมเอตังสรนังเอตังโคสระังเขมังเอตังสรณมุตตมังนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดเอตังสรณามาคัมะใครอาศัยที่พึ่งนั้นแล้ว สับตะดุขฆ่าปะมุจจะติย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้เนี่ยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามพระพุทธเจ้าจบอย่างเนี้ยจบอย่างเนี้ยอั น, นี้พูดเพื่อให้พวกเราเห็นรูปรู้ว่าทุกที่เกิดกับรูปนามอย่างไรเราจะต้องทำลายกำแพงของโบหะอย่างไรนั้นวิธีไม่มีอย่างอื่นจำไว้เลยไม่มีวัคซีนไม่มี แคปซูลไม่มียาหม้อไม่มีขายในเจ้ากรมเป๋มันจะต้องพัฒนาสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นขึ้นที่รูปที่นามนี้เออเพราะฉะนั้นจงแน่วแน่มั่นคงตั้งใจพอะราเป็นแล้วนี่เราเป็นแล้วนี่พาจิตเข้าไปสู่ความตั้งมั่น แต่ไม่ใช่ตั้งใจที่จะเข้าไปตั้งมั่นแล้วไม่ใช่สมมุติความตั้งมั่นนั้นขึ้นมาเฉยๆรู้ลมหายใจใช้ลมหายใจเพราะพระพเจ้าสอนลมหายใจเป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องหลักพอเรารู้ลมหายใจแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะให้เราเข้าสู่เส้นทางนี้ได้อย่างเร็วแล้วพระพเจ้าเราเป็นอบรมเป็นพระโพธิสัตว์อยู่กับอะไรกับลมหายใจมาตลอดพอมาเป็นเจ้าชายศิทธะในวัยเด็ก ก็อยู่กับล ม, ม ล, มก ล, ลมหายใจมาตลอดพอมาตรัสรู้ก็ใชอเลยลมหายใจมาตลอดไปลองวิธีการอย่างอื่นแล้วไม่ได้ลองมาเสดสารพัดพระพุทธเจ้าไม่จะได้ฌานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเรียนกับอาลาระดาบทกับอุทกกดาบทนะได้ฌานอะไรฮะในสมาบัตแปด พระพุทธเจ้าเรียนกับอาลาระดาบทหนึ่งสมาบัติเท่านั้นคือสมาบัติเจ็ดและเรียนกับอาลากับอุทกกรดาบทคือสมาบัติที่แปดเรียนแค่สองสมาบัติเท่านั้นนอกนั้นเป็นเจ้าชายศิสถานที่ได้มาตลอดก็าทาแรกนาขวัญที่น่ทน า, าทานาก็ทาพิธีแรกนาฝันนั่งอยู่ใต้ต้นว่าก้้งจอมปลวก ข้าวสมาดข้าวลมหายใจเนี่ยรู้ลมหายใจไว้เรื่อยๆคือทําลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มาตลอดไม่มีอะไรที่ออกนอกไปจากนั้นได้เวลาจะออกไปก็ออกไปกับสติออกไปกับสติออกไปกับสติออกไปกับสติเวลาที่จะมาตรัรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เข้าไปสู่ลมหายใจทิ้งจากบําเพ็ญทุกขิยาเสร็จเข้าไปสู่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นของที่พระองค์ชํานาญมาอยู่แล้วพอเข้าไปสู่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง คนฟ้าขุดคุยจิตที่เป็นปัจจุบันภายในเนี่ยก็เกิดความรู้ขึ้นเยอะแยะมากมายขยายออกไปขยายออกไปเป็นปุเพนิวาสานุสติยานเป็นจุตูปาปัฏยานและเป็นอาสวัคไหยานความรู้ที่พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดรู้ที่ไหนอาศัยลมหายใจแล้วเกิดความรู้ขึ้นที่จใจใจของพระองค์แล้วอัศาจรรย์อะไรรู้ว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้ารู้ในใจ น, นั่นะ ปรากฏว่ามันเป็นความจริงที่มีอยู่ต่อใจทุกใจไม่เว้นแม้แต่ใจของเราใจเราใจใจใจทุกใจมีความจริงที่พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดทุกใจเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคําพูดว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจได้ยินเขาพูดกันอย่างนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากที่ใจ ท่าจึงตรัสสำทับลงมาว่าบุบมโดพุพังกมาตมามโดเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจเนี่ยเนี่ยเแม้แต่การเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นด้วยใจนี่วันนี้พูดเพื่อปลุกอะไรปลุกใจ ปลุกใจเพื่อทำลายคำแพงของบูห์ะวันนี้เนื่องจากว่าเ ป, ว 13, เป็นวันที่13บเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตรปีนี้อันต่อมาก็เมื่อวันที่เกก็ได้ไปเป็นประธานควายสงจัดที่ตึกเทพ ร, รัตโรงพยาบาลรามาธิบดีทำใหญ่เหมือนกันแล้วก็วันที่สิบาก็จะจัดพิธีสวดพระพุทธบน ที่วัดในวันนี้ในคณะของพวกเราเนี่ยเรื่องรัชกาลที่เก้าเนี่ยไม่อยากจะให้ อ, อ, อยากอยาะให้พวกเราไม่ลืมโรงไม่ใช่ให้ยึดอยู่ในสัญญานะทําไมถึงจะไม่ลืมรัชกาลที่เก้าวันก่อนไปพูดที่โรงพยาบาลรามาเราระลึกถึงรัชกาลที่เก้าเราระลึกถึงกี่เรื่องสามเรื่องหนึ่ง ระลึกถึงสามเรื่องว่าพระองค์มีพระคุณต่อเราอย่างไรนะระลึกถึงสามเรื่องหนึ่งระลึกถึงพระปัญญาสองระลึกถึงพระบญญ ร, ะระบิสุทธิ์สามระลึกถึงพระมหาการุณาระลึกถึงสามเรื่องพอเราระลึกถึงแล้วเนี่ยถ้าใครเกิดมาในโลกใบนี้ศึกษาชีวประวัติของรัชกาลที่เก้าแล้วมองไม่เห็นความดีคนนั้น เกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่เจอคนดีเพราะรัชกาลที่เก้าของเราเป็นต้นแบบของคนดีพิจารณาเรียนรู้อย่างใจที่เป็นกลางและจะรู้ว่าพระองค์เป็นคนดีเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ดีอย่างไรเห็นรเห็นรัชกาลที่เก้าแล้วเนี่ยจะต้องระลึกถึงได้ว่าคนดีเป็นอย่างนี้และเราจะรู้ว่าเราควรเดินตามแบบอย่างของพระองค์ระลึกถึงพระปัญญาระลึกอย่างไรฮะ ปัญญาคือการเรียนรู้ใช่ไหมปกติวความรู้ของคนเราไปเรียนที่ไหนอะโรงเรียนมหาวิทยาลัยดังๆตกไปจบมาจากฝรั่งเศสจบมาจากอังกฤษจบมาจากอเมริกามหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยเรียกว่ามีความรู้ใช่ไหมมีความรู้แล้วก็มาอวดเพื่อนได้ไงมาเป็นอาจารย์สอนได้แต่รัชการที่เก้าความรู้ของพระองค์มาจากไหน มาจากการที่พระองค์นั้นเสด็จในจังหวัดต่างๆที่ประสบนิกรของพระองค์อยู่ศึกษาเรียนรู้ทั้งสองภาคคือทั้งภาคของศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศึกษาทั้งภาคของธรรมชาติวิทยารู้หมดว่าที่นี่อย่างที่นครศรีธรรมราชที่ปากพนังน้มกร่อยดินมันกร่อย ดินมันนุ่น้ำเค็มไม่สามารถทำากสิกรรมใดๆได้ไดออกมาทำการศึกษาทดลองวิจัยจนสามารถทำดินที่มันกร่อยๆอยู่เนี่ยสามารถที่จะปลูกและทำนาได้อะ่ะคิดดูสินี่พระปัญญาขนาดนี้มีคุณไหมประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆ มองไปเห็นรถติดโอ้ยประชาชนประสบนิกรลำบากต้องหาวิธียังไงวดัดก็แบปแบบแบบบเกิดเป็นองค์วอองความรู้ขึ้นมาแล้วเมื่อองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วของเขประมาณรัดในบางทีมันยากใช่ไหมต้องทํายังไงให้มันรวดเร็วคนมีความรู้เพราะฉะนั้นคนมีความรู้ทํางานเนี่ยหนึ่งต้องทําให้ดีสองทำให้เร็ว สามทำให้เสร็จนี่คือคนมีความรู้ทำให้ดีทำให้เร็วทำให้เสร็จพระพุทธเจ้าทำให้ดีเรียกว่าสุจริตตังทำให้เร็วเรียกว่าอาศิทังทำให้เสร็จเรียกว่าอนาคุลังส่วนมากเขาไงคิดมีความรู้คิดดีทำแล้วเป็นไงไม่ดีบางทีทำดีแต่ว่าเหาะเาะแยแย เอาโยใหญ่ไมพ่พอคางค้างคาค า, า, าถ้าเป็นพระก็เรียกว่าหลวงพ่อคา <c oughs> แต่ราชการที่เก้าเป็นไงอ่ะความรู้ของพระองค์เร็วไอ้ทาดีเร็ ว, รวแล้วก็เสร็จนี่พระปัญญาของราชการที่เก้ามองเห็นอย่างนี้ดูจากเอาต่อไปพระบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์เนี่ยเรานึกถึงอะไรศีลเอาศีลห้าพ่อ ไหนลองหามาสิให้เป็นศึกษาดูสิราชการที่เก้ากับสี่ห้าเป็นยังไงนอกจากใส่ร้ายพระองค์ถูกปะนอกจากใส่ร้ายพระองค์ถ้าหาจริงๆอ่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะพัฒนาน้าพระทัยของพระองค์จนมีน้าพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยมหากรุณาจนต้องคลอดอะไร อะไรที่เป็นเครื่องยืนยันในพระปัญญาพระบริสุทธิ์และพระมหากรุณาของพระองค์อะไรโครงการเนื่องในพระราช ด, ดาริมีกี่โครงการที่สำเร็จที่ทำไปแล้วสี่พันกว่าโครงการโครงราชอยู่กี่ปี7จปี <70. S 1> ฮะเจ็ดสิบปีเอาสี่เอาเอาสี่พันกว่าไปหารเอาเจ็ดสิบไปหารสี่พันเด้เฉลีย่ยแล้วเป็นไงหนึ่งสัปดาห์ได้หนึ่ง โครงการและแต่ละโครงการจะต้องอะไรต้องมาจากการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยผลกระทบเรื่องราวต่างๆเยอะมากสรุปความว่ามีเวลาไหนอะมีเวลาไหนอะที่จะสนุกสนานเที่ยวเจริญสำรัญแบบพวกเราเนี่ยไม่มีเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วคนแบบนี้ดีไม่ดีอะ เอาโครงการเนื่องในพระาจดารินนี่แหละสี่พันกว่าโครงการหารเจ็ดสิบเลยเจ็ดสิบไปหารดัวฉเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละหนึ่งโครงการนะแต่ละโครงการกว่าจะสำเร็จขึ้นมาได้นี่โอ้โหต้องศึกษาพ้นคว้าเยอะมากและบ้านเราเนี่ยที่เรารอดพ้นจากโควิดมาได้วันนี้ควรยกความดีให้ใครก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธรัฐบาลหรอกนะ แต่ยกความดีให้กับใครยกความดีให้กับสถาบันกษัตริย์ที่เขาอบรมบ่มเพาะประชาชนชาวไทยมาตลอดเวลาตั้งแต่ยุค ต, น ต, นตน้นๆจนมันฝังลงในด n a ของเราแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสาธารณุบพภคและเครื่องอุปโภคด้านสาธารณาสุขที่ท่านวางไว้ใครเป็นคนวางใครเป็นคนวางอ่ะลองคิดดูดีๆ ไอ้ที่เปล่าเปากันอยู่เนี่ยมาเป็นรัฐบาลหรือไม่แกล่าปรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอะ่ะได้เริ่มต้นวางหรือเปล่า <Okay. S 1> ใครอ่ะเป็นคนวาง <Okay. S 1> พระมหากษัตริย์ทั้งนั้นนะ่ะถูกปะละ่ะ mm hmm. ระบบสาธารณาสุขของเราเนี่ยดีกว่าประเทศที่ประกาศตัวเองว่าพัฒนาแล้วหปตั้งเยอะขนบธรรมเนียมประเพณีการที่พระมหากษัตริย์ประกาศพระองค์เป็นเอกอัคราศาสนูปถมพก และประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนทุกพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งต้องมีเจ้าบ้านใช่ไหมใครอะในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราใครอะที่จะเป็นเจ้าบ้านต้องคนที่เป็นเจ้าบ้านก็คือว่าต้องคนที่สามารถทําให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุข ก็เอาพุทธศาสนาอะไมาเป็นเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราจึงถูกผูกไว้กับพุทธศาสนาเราจึงเกิดประเพณีเยอะแยะมากมายแต่ทั้งหมดเนี่ยมันหลอ่อหลอมกล่อมเกลวให้คนไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามกาแหงมหาราชมาเอาพุทธศาสนาเข้ามาปั๊บวันโกนวันพระหยุดพระขุนรามกาแหงท่านก็เสด็จไปคว่างเทศพระไปเทศพอพ่อขุนรามกำแหงไปควางเทศไอ้พวก ธรรมดาก็รู้อยู่ใช่ไหมสํานวนไทยก็บอกนายว่าที่ข้าปลอยก็ตามหลังกันไปฟังความเสร็จแล้วทําไมนั้นยังไม่มีหนังสือเขียนอ้าวก็เริ่มต้นที่จะต้องพัฒนาแต่ก่อนไม่มีตัวหนังสือเขียน ก, ก็ใช้ปั้นพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะเกิดขึ้นมาปั้นพระพุทธรูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์สําหรับที่จะกลํานํากลับไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องช่วยในการจดจําคําสอนของพุทธศาสนา หลังจากนั้นก็เห็นว่ามันจะต้องนะเอาพัฒนาขึ้นมามาเป็นตัวอักษรไทยแล้วก็พุทธศาสนาก็เจริญเจริ ญ, รญในขณะเดียวกันไม่ปิดกั้นความเชื่อและศาสนาอื่นนี่มันจึงอยู่กันได้ทีนี้มาถึงสมัยพญาลิไทเป็นพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมครองราชอยู่มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นพุทธศาสนาจเจริญมากจนมันเสื่อม เนื่องจากเราเกิดสงครามไปเยอะมากจนจนมาเสื่อมไปยุคหนึ่งแล้วก็มาอีกเกิดเสียกรุงครั้งที่สองพอเสียกรุงครั้งที่สองเราก็ทําไงอะ่ะพระตอนนั้นพอหลังจากสงครามเราลําบากก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในที่สุดก็ต้องกัดปลาชนไก่เล่นตะ ก, กร้อมากรุกอะไรต่างๆอยู่ในวัดมดั้ง มาถึงสมัยรัชการที่รัชวงศจักรีรัชการที่หนึ่งก็ออกกฎหมายเป็นพิเศษสำหรับที่ดูแลพระพุทธศาสนาเพราะรู้ว่าพุทธศาสนานี่คือศูนย์กลางสาหรับที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคก็เลยออกกฎหมายมาเพื่อดูแลให้วัดมันแข็งแรงพอมาสมัยรัชการที่สองก็เหมือนกันรัชการที่สามก็เหมือนกันนั้น เจ้านายในสมัยนั้นก็เร่งด้วยการสร้างวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทำกันมาอยู่อย่างนี้จนสมัยรัชกาลที่สี่ไม่ไหวแล้วพระย่อหย่อนในเรื่องของพระวินัยประกาศตนที่จะออกมาบวชทาให้ดูเป็นตัวอย่างรัชกาลที่สี่อ่ะออกพนวดเลยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทั้งหมดที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเขียนว่าอย่างไรเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติเขาเลยเรียกท่านว่าธรรมยุท ในสมัยนั้นพระต่งางาๆก็เข้ามาเข้าด้วยกับราชการที่สี่อันนี้พระมหากษัตริย์ไหมพระมหากษัตริย์นั้นนะเข้าด้วยกับราชการที่สี่จุเกิดเป็นธรรมยุทธะกรณกายเดี๋ยวดีเรามีวัดป่งวัดป่าที่มีเนะี่ยเป็นผลพวงของราชการที่สี่ทั้งนั้นมิฉะนั้นแล้วมันก็จะช่วยไม่รอดใครเป็นคนทําขึ้นมาอะและประเทศไทยเมื่อพุทธศาสนายิ่งใหญ่เป็นเจ้าบ้านอยู่อย่างนี้เราเกิดมีศาสนาอะไรศา ส, สนาไหนก็อยากจะมาอยู่ ศา ส, สนาต่างๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เพราะความอะไรเพราะความเป็นเจ้าบ้านของผู้ที่ชื่อว่าพุทธศาสนาด้วยการเห็นดีเห็นงามของสถาบันกษัตริย์ถึงจำไว้พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้าเห็นว่าเราอยู่อย่างเนี้ยมันจะแค่ไปเราต้องเรียนรู้โลกใช่ไหมอ๋อเรียนรู้โลกก็เรียนรู้โลกก็ท่านก็เอาวัฒนธรรมประเภทนี้ต่างๆของยุโรปเข้ามา ที่สุดก็เริ่มเปิดเส้นทางของคมนาคมใครเป็นคนทาเออแล้วดูดิจนมาถึงสมัยของรัชกาลที่เก้าและมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่สิบเรามีสถาบันกษัตริย์เป็นผู้ดำเนินการเลกาธรรมอย่างต่อเนื่องมาหล่อหลอมชาวไทยให้เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมเคารพ ก, กะตันอยู่นี่ตอนเนี้ย พอรัฐบาลประกาศให้สวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างร้านนั่นปิดมัน ป, ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในเรื่องการป้องกันโควิดหนึ่งเก้านอกนั้นไม่ใช่ดูถูกดูแกลนะประเทศที่ประกาศว่าตนเองจเจริญแล้วอ่ะแล้วมันมันด่ารัฐบาลของเรามันยืนด่ารัฐบาลแต่คนด่าไปไงสวมหน้ากาก ว่ามาดานายกแต่คนดานายกสวมอะไรสวมหน้ากากบางคนหน้ากากอย่างเดียวไม่พอนะไอสวมเฮ็ดกาดด้วยเออทั้งหมดเป็นผลพวงของการที่เรามีสถาบันกษัตริย์คอยมาหล่อหลอมขึ้นมาเนี่ยเราคิดเลือคิดได้ละเอียดอย่างนี้เห็นดีเห็นงามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรงสสอนว่าอาดาศีเบอากาศีเบยาติมิตรสักขาจะเบ ว่าเราต้องมาน้อมระลึกนึกถึงว่าท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราท่านผู้นี้ได้ทําสิ่งนี้ให้เราระลึกให้ออกมันจะระลึกได้ยังไงมันไม่ศึกษามันไม่ทําความเข้าใจมันอคติมันระลึกไม่ได้เราจะต้องระลึกซื่อไปตรงไปดูความเป็นจริงที่มันปรากฏระลึกได้ว่าท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทําสิ่งนี้แก่เราพอระลึกได้แล้วเห็นแล้วชัดแล้ว มันจะเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดความซาบซึ้งกินใจทีนี้เราก็จะได้ทำอะไรดีๆแก่พระองค์นอกจากการประกาศตนว่าจงรักภักดีแล้วเรายัางสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยความจริงใจและจริงจังต่อไปไม่พูดเรื่องนี้แล้วทุกคนนิ่งเศ่าเลยวะ <c oughs> ไม่ฉช่นั้นนะถ้าคนรุ่นเราควรปฏิบัติธรรมแบบพวกเรา ไม่รู้สึกเรื่องพวกนี้มันยากนะยากนั้นปต่มาฉันกล้าพูดอ่ะคนที่มองเห็นเนื่องจากว่าวันที่สิบสามเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะคนที่มองเห็นรัชกาลที่เก้ามองไม่เห็นความดีของพระองค์ยากในการที่จะเห็นความดีของคนอื่นได้จำไว้มองเห็นความดีของมองเห็นความมองไม่เห็นความดีในในรัชกาลที่เก้า อย่าหวังเลยว่าคนนั้นน่ะจะมาเป็นสามีที่ดีของใครได้จะมาเป็นภรรยาที่ดีของใครได้จะไปเป็นอะไรที่ดีที่ดีของใครได้เข้าใจป่ะเพราะมันเห็นง่ายมากอ่ะมันดีเต็มไปหมดอ่ะยังมองไม่เห็นแล้วจะทำยังไงคนอื่นเนี่ยไอ้ที่ปากว่าทำดีดีดีดีมันไม่แน่ใช่ไหมเออ แต่ราชการที่เข้านี่มันดีเยอะมากอ่ะดีเต็มไปหมดอ่ะมันมองไม่เห็นมันก็ต้องแย่แล้วแหละคนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะนั่งสมาธิกันอย่างตั้งใจนะรู้ลมหายใจนี่แหละเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น, นั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะสวดปฏิทานนาคาถาให้ชุ่มฉ่าใจกันซึ่งเดี๋ยวจะมีแจกหลังจากนั่งสมาธิกันก่อน ในีใครที่อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงนี้แล้วเพวกเราเราก็ลุกขึ้นไปพักง่ายได้สีห้านาทีนะทีห้านาทียืดเส้นยืดสายเข้าทำธุระส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมานั่งสมาธิกันเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชากุศลวันนี้ทำเป็นพิเศษอ้อาวมาตั้งใจให้ดีนะเรา จะใช้สติสมาธิของเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติให้มันซื่อตรงลงไปรวมใจกันนอกจากพัฒนาสติสมาธิปัญญาของเราแล้วตั้งใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลได้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วาราชการที่เก้าที่ใครๆก็บอกว่าท่านคือพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในวันข้างหน้า ก็คนทำดีขนาดนั้นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ไม่รู้จะให้งงใครเป็นแล้วใช่ปฮะอ่ ะ, <c oughs> อะพร้อมกันยังเย่าราใครที่พร้อมแล้วก็นั่งไปก่อนเลยทำอนาปานสติด้วยการรู้ลมยาวนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปเร่ง ไม่ต้องข้าหาสมาธิอะไรแค่ทำลมยาวแล้วก็รู้กับลมหายใจที่ไหลออกยาวไหลเข้ายาวตามธรรมชาติธรรมดาของเราไม่ใช่ของคนอื่นให้รู้ลมหายใจปักก็ไปให้ดูว่าลมหายใจของเราหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอย่างไรก่อนแล้วหลังจากนั้นให้จิตมันอย่างระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจเฝ้ารู้ดูลมหายใจอยู่นิ่งๆให้เป็นทาลมหายใจให้ยาว ทดสอบทั้งสองคู่สามคู่หรือสี่คู่ก็ได้โดยการหายใจเข้าหายใจออกด้วยการนับก่อนก็ได้นับว่าให้มันยาวเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็หยุดนับแล้วก็ประคองลมหายใจให้มันยาวตามที่เราเราทำได้โดยที่ไม่อึดอัด <c oughs> และที่สำคัญที่สุดคือตั้งกายให้ตรงทรงกายให้นิ่งกายนิ่งเนี่ยมันจะทาให้โอกาสที่จิตจะไปรู้ลมหายใจได้ง่าย พะกายไม่นิ่งจิตมันจะไปถูกมีเจตนาเข้าไปสู่กิริยาอื่นๆงั้นการรู้ลมหายใจก็จะยากขึ้นเรามันไม่มีเราเพียงแค่รู้ว่าไอตัวเราที่ตั้งตูตรงนี้มันเป็นเพียงแค่รูปแค่นามแค่กายแค่ใจเท่านั้นไม่มีอัตตาตัวตนใดๆ แค่รูปแค่นาำแค่กายแค่ใจเราแค่เกายกจิตเข้ามาเพื่อที่จะไปรู้ลมหายใจของเราชีวิตของเราตอนนี้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตในปัจจุบันมีแค่ลมหายใจที่กําลังเคลื่อนออกทางช่องจมูกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจทําเขาให้ยาวๆแล้วก็ลมหายใจที่ไหลเข้าเคลื่อนเข้าต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่เคลื่อนเข้ามีเท่านั้น แล้วก็จิตก็ไประลึกรู้ลมหายใจที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้านั้นตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเมื่อเราทำลมยาวก็เป็นแล้วก็อย่างระลึกเข้าไประลึกก็ไปที่ลมยาวนั้นไม่ต้องวิ่งตามทำเป็นเสมือนกับว่าเรายืนอยู่ริมลำธารแล้วเราก็ดูน้ำที่ไหลกระแสน้ำที่ไหลนั้นแล้วก็ดูนิ่ง ไม่ต้องหันตามไปกระแสน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างหรือไม่ต้องไปหันหน้าเพื่อไปรอรับกระแสน้ำที่กำลังไหลลงมาจากข้างบนข้วาวดูรู้นิ่งนิ่งอยู่จุดที่เรารู้สึกได้ดูได้เราก็จะเห็นน้ำทั้งสายที่กำลังไหลไปไหลไปไหลไปอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถข้ารู้ดูลมหายใจของเราที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าด่จุดเดียวที่เขากมีการรู้สึกว่าเร า, เราสามารถรู้สึกได้ของแต่ละคนก็ต่างกัน แต่เขาจะอยู่จงบริเวณเหนือเหนือริมพี่ปากบนตรงช่องจมูกความรู้อยู่ตรงนั้นฐานที่ตั้งนั้นเหมือนกับป้อมยามของหมู่บ้านที่เราเข้ามาอาคารทมนี่แหละก็เราก็ดูได้ว่าเวลาเราไอรอปรพอที่อยู่ป้อมยามมันก็นั่งอยู่ในป้อมมันไม่ต้องออกมารถเข้ามามันก็รู้รถออกไปมันก็รู้รถเข้ามามันก็รู้รถออกไปมันก็รู้มันไม่ต้องวิ่งตามมาดูรถที่เข้า ไม่ต้องวิ่เไปรอดูรถที่ออกแค่นั่งอยู่ในป้อมมันก็รู้หมดแล้วอันนี้ชั้นใดเราก็ชั้นนั้นแหละควารู้อยู่ตรงที่เรารู้สึกได้นิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้ลมที่ไหลออกยาวรู้ลมที่ไหลเข้ายาวควานิ่งนิ่งรู้อยู่อยู่นั้นพอรู้ราบเรียบสนิทไปเรื่อยๆลมมันก็จะค่อยค่หดตัวของมันลงมาแต่รู้ยังคงแข็งแรงดังเดิม จนลมเหลือเป็นลมปกติเป็นลมปกติเมื่อใดเราก็รู้ลมหายใจนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นจนจิตมันเกิดปิติเกิดปราโมทขึ้นมาจนจิตมันหลีกออกจากลมหายใจคือความตั้งใจที่จะไปรู้ลมหายใจมันไม่มีลมหายใจก็เข้าออกเป็นธรรมชาติจิตอยู่กับอุเบกขาที่มีสติก็รู้ลมหายใจนั้นแค่รู้แค่รู้แค่ ร, แค ร, แครู้ลมออกแค่รู้ลมเข้าต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าสัญญาณจะดังขึ้น <c oughs> ถ้าหากว่ามันเกิดความห่วงเหงานอนกดยืดกายให้ตรงให้จำไว้ว่าถ้ากายไม่ตรงโอกาสที่เราจะถูกนิวรนเข้าครอบงำนั้นง่ายเช่นตะกายเอียงไปซ้ายนั่งสักพักมันก็จะเอียงลงไปเรื่อยๆและเวทนาก็จะมาเร็วตากายเอียงไปขวาก็เหมือนกัน โกงไปข้างหน้าหรือแอนไปข้างหลังก็เหมือนกันเราเพียงแค่รู้ลมหายใจแล้วก็ตั้งกายให้ตรงพอเกิดมีนิวรณใดๆทีดว่าความง่วงความเคลิ้มขึ้นมาไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจว่าไม่ต้องไปหดกิดว่าทําไมมันถึงเกิดอย่างนี้ไม่จําเป็นเพราะกายนี้มันเป็นแบบนี้แหละไม่เฉะนั้นเราจะมาปัดปฏิบัติเพื่อรู้กายรู้ใจกันทําไมที่เราต้องปฏิบัติเพื่อรู้กายรู้ใจนี่ก็เพราะว่า กายมันเป็นแบบนี้กายมันเป็นทุกขอย่างนี้มันเป็นก้อนทุกขแบบนี้นี่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมันจนถ้าจะกเลิศเราก็ตั้งกายให้ตรงยืดกายให้ตรงด้วยการให้กระดูกสลังถึงข้อตอ ข, อข้อคอต่อ น, นุ่นที่รองรับศีรษะให้มันตั้งขนานกับไอ้ตั้งฉากกับพื้นให้เขาตั้งฉากได้กับพื้นนั่นเรียกว่าการตั้งกายให้ตรงพอตั้งกายให้ตรง กายนิ่งจิตก็จะตื่นออกมาจากความห่วงความเคลื่อความหลับนะรกปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาเอาเรื่องสุดท้ายที่จะฝากเรื่องอาการสามสิบสองใครที่ยังจำไม่ได้สาธยายไม่ถูกพยายามนะอย่าทิ้ง เพราะอาการสาสิบสองเมื่อเราจําได้แล้วสาธยายได้แล้วจะทําให้เราเข้าถึงรูปนามกายใจของเราได้ง่ายจําได้เสร็จแล้วเนี่ยหันเอาไปพิจารณาเช่นเวลามันเกิดปัญหาทางสภาวะเช่นเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโกรธสามารถที่จะยกจิตไปปักลงในอาการสาสิบสองอันใดอันหนึ่งที่เราถนัดปักลงไปตรงกระดูกเช่นกระปงกระดูกข้อแขน ปากลงไปให้จิตมันเห็นแวกผิวหนังลงไปเจอเลือดเจอหนังฉีกแหวกหนังออกไปเจอเลือดเจอวังผืดเจอเส้นเอ็นเจอไขมันเอเห็นเป็นกระดูกสีขาวๆอาบเลือดแดงๆมองลงไปในกระดูกนั้นเห็นเยื่อในกระดูกมองจนทะลุมองบนทะลุล่างมองล่างขึ้นมาทะลุบนมองให้เห็นเป็นแท่งเป็นท่อนจิตจะเกิดความสลดขึ้นมาอื อารมณ์ที่เป็นสภาวะบางสภาวะเช่นวาระค่ะเอ้ยโทสะเอ้ยความหลงความเพลิดเพลินโดยเฉพาะนันทีความเพลิด เ, ด เ, พ, เพลินก็จะหยุดตัวเองลงเมื่อจิตเกิดความสลดจากการเห็นความเปรติกูลของอาการสามจุดสองอันใดอันหนึ่งของเราอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าต้องพยายามท่องให้ได้เพื่อการแม่นยำเราจะต้องนักเลงเขาเรียกนักเลงนิพาน่ะ ต้องได้อาการสามสิบสองเป็นพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าจัดเรียกว่าเป็นพุทธมนต์ใครไปขอกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะให้อาการสามิบสองเป็นหลักท่องไอ้แม่นจําไม่ได้นะจําไม่ได้พยายามชงกาแฟเมื่อก่อนนุ่งพ่อก็ต้องไม่ได้เหมือนกันใช้วิธีการเสกกาแฟคาถาที่เสกยาดีที่สุดคืออาการสามสองเนี่ยเวลาชงกาแฟจักก็มาปั๊บเสกกาแฟเส่ไปเปล่า กีาโ <Cornell>. ลมานกกาดันตาตะโจมังชังังอาโรอัติอัติมิยังก็ขันยังวักกันกี่วันปุ๊บจนจนถึงโนแหละบุวดตังค์ที่นี้เราก็ใช้วิธาแหละเขาเรียกว่าหมวดห้าหมวดหกใช่ไหมเราเอาเฉ okay. พาะห <c ough> ้าพอก่อนเกีาโลมานกกาดันตาตาโจตะโจดันตานักขาโลมากีธากีาโลมานกกาดันตาตะโจ ตาโจนักขาได้ตาโจดันตานะะักาโลมาเกษากลับไปกลับมาอย่างนี้เอารอบละ 5, ห้าก็ได้หรือว่าอ้าวเ น, นี่เกษาโลมานะะักขาดันตาตาโจอ่าแต่แก็ต่อไปเรื่อยแต่ของอันตมาจะใช้เร็วๆอะ่ะห้าหกแล้วก็หกหกหมวดหกไปกันหลังหมวดห้าหมวดห้าแล้วก็หมวดหกหมวดหกก็สุดท้แต่ใครจะถนัดแต่ว่าอกาแฟก็กลายเป็นยา มาหรือจะชงโซดามะนาวอะ่ะกินโซดามะนาวสเสกไปเลยฮะ <c oughs> แต่ว่าแล้ว ก, กาแฟาดีรสชาติดีนะเวลาจะมาชงกาแฟาให้ใครกินเขาว่ารสดีทุกคนสเสกกระดานส <c oughs> รสดีทุกคนเลยกินกาแฟเลยอ้าวใบนี้ฝากเก็บไปด้วยนะ เออไปสวดที่บ้านเวลาไหว้พระสวดมนก็สวดต่อเลย